ตจกนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องรัฐศาสตร์แนวพุทธโดยพ่อท่านสมณะูทิรักประจำวันที่9มิถุนายน2548ที่พุทธสถานสันติอสุขขอเชิญท่านติดตามฟังได้นะบัตรนี้ ททุกๆคนวันนี้ผู้ที่จัดงานได้กำหนดให้อัตมาเทศนในเรื่องตั้งชื่อเรื่องมาเลยว่ารัฐศาสตร์แนวพุทธคำว่ารัฐศาสตร์เป็นภาษาของวิชาการรับ อตมาเองอตมาไม่เคยเรียนรัฐศาสตร์นะแต่อตมาก็พยายามจะทำความเข้าใจกับคำว่ารัฐศาสตร์คืออะไรนะรัฐศาสตร์ตามความหมายโดยปฏิพานของอตมาก็เข้าใจว่าเป็นศาสตร์ที่ว่าโดยการจัดการรัฐจัดการความเป็นอยู่ของประชาชนในรัฐ การรัฐนี่แหละจัดการความเป็นอยู่ของรัฐแต่ละรัฐรัฐหรือประเทศรัฐหรือประเทศก็ตีกรอบเอาแค่ว่ารัฐรัฐหนึ่งจะทำอย่างไรรับผิดชอบอยู่ในขอบเขตของรัฐเป็นการรับผิดชอบเพราศาสตร์ความรู้ที่จะทำให้จัด การคนในกรอบของรัฐหรือกรอบของขอบเขตกรอบของขอบเขตที่เรารับผิดชอบประเทศไทยก็เหมือนกับรัฐรัฐนึง คําคว่ารัฐเนี่ยเหมือนกับ เ, เดินแดนแคว้นหนึ่งที่อยู่กันอย่างมีข้อตกลงเป็นกลุ่มหมู่เป็นกลุ่มหมู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาก็มีอะไรแต่ไรขยายความกันไปเยอะอย่าง อ, อเมริกาเขาคือมีรัฐแต่ละรัฐแต่ละรัฐแต่เขาก็รวมกันอยู่เป็นสหรัฐคือรัฐต่างๆรวมกันอยู่สหคือ ร่วมกันอยู่ได้หลายรัฐแต่ละรัฐก็ให้สิทธิเสรีที่จะบริหารกันเองแต่แต่ละรัฐแต่ละรัฐที่เป็นสหรัฐทั้งหมดเขาก็มีหลักเกณฑ์อีกดูแลกันอีกช่วยเหลือเฟ้อฟาฟ้าเกี่ยวข้องกันอีกบริหารกันอีกรวมทั้งสหรัฐนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้มีอยู่เท่าไหร่50เท่าไหร่ก็ไม่รู้50กว่า50กว่ารัฐอ่า ซึ่งก็มีกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ของเขาอาตมาจะไม่พูดถึงเรื่องหลักเกณฑ์แต่อาตมาจะพูดเจาะเข้าไปถึงเนื้อแท้ของความเป็นจริงอันคนจะพึงเป็นเพราะว่าเรื่องรัฐศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่องของดินน้ำลมไฟเท่านั้นดินน้ำลมไฟก็คือคนนี่แหละเป็นผู้จัดสรรเป็นผู้จัดการจะดินน้ำลมไฟของรัฐไหนของพื้นที่ไหน ก็จัดการคนในรัฐนั้นคนในถิ่นนั้นเป็นผู้จัดการนะเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับของเกอเกี่ยวกับสิทธิเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่จะมีวิธีการอย่างไรเขาก็จัดสรรกันออกกฎออกระเบียบกันนําพากันไปนะอาตมาจะไม่พูดไปถึงเรื่องของกฎระเบียบวิธีการวิชาการอะไรมากนักเพราะอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้น เพียงพออัตมารู้โดยปริยายรู้โดยปฏิพันธ์เท่านั้นเองเพราะงั้นก็พูดไม่ได้พูดไปก็ไม่ถูกพูดกันไปไม่มกไม่หม ด, มหมดเพราะไม่รู้เพราะงั้นจะพูดในเรื่องของมนุษย์ชาติเรื่องมนุษย์ชาติเนี่ยอัตมาพูดได้พูดได้จริงๆเพราะว่าอัตมาได้ศึกษาเรื่องมนุษย์ชาติฝึกฝนเรียนรู้เรื่องมนุษย์ชาติซึ่งมีกายกับใจเนี่ยได้ฝึก ศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ว่ามนุษย์ควรจะเป็นอยู่สุขอย่างไรควรจะทําอย่างไรจะร่วมกันอยู่เป็นอยู่สุขรัฐศาสตร์นี่ก็แปลกันโดยแปลในภาษาอะไรรวมๆกันเอาไว้หมายถึงรัฐศาสตร์ก็คือความรู้าศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับรัฐซึ่งเขาเยามไว้สั้นๆว่าประวิชาการรัฐศาสตร์นี่คือวิชาการศาสตร์วิชาการวิชาการว่าด้วยการเมือง ว่าโดยการบริหารปกครองประเทศและว่าโดยความสัมพันธ์กับต่างประเทศรัฐศาสตร์เนี่ยเขาหมายถึงอย่างนั้นก็ดีนะความหมายของเขาว่าหนึ่งการเมืองรัฐศาสตร์คือวิชาว่าใดยการเมือง 2. ว่าใดยการบริหารประเทศส ว่าในความสัมพันธ์กับต่างประเทศความหมายสั้นๆชัดๆกัะทัตระเป็นอย่างนั้นอัตมาเอาความหมายจาก3ความหมายนี้มาเอามาอธิบายถึงมนุษย์ตั้งแต่กลุ่มเล็กสองคนครอบครัวะจะมี5คน8คน10บคนก็แล้วแต่ขยายออกจากครอบครัวเข้าไปเป็นกลุ่มวง 20่สิบส0คนร้อยคนเป็นหมู่บ้านเป็นร้อยเป็นพันเป็นอำเภอเป็นจังหวัดก็ขยายตัวออกไปกันแล้วกันคนก็มากขึ้นกลุ่มโตขึ้นแต่คุณลักษณะของคนที่จะอยู่ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนกระทั่งถึงครอบครัวจนขยายออกไปสู่กลุ่มหมู่ คณะจนเป็นหมู่บ้านก็ตามคุณลักษณะของคนจะขยายจากเล็กนี่ไปจนกระทั่งถึงใหญ่เชื่อมไปจนกระทั่งถึงต่างประเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศก็ตามถ้าคนมีคุณลักษณะที่ได้คุณลักษณะแบบพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ คือเป็นคนที่มีการบรรลุธรรมเป็นการบรรลุธรรมโลกุตธรรมของพระพุทธเจ้ารับรองว่ารัฐศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่เป็นอยู่สุขเป็นรัฐศาสตร์ที่จเจริญยิ่งๆนี่พูดอย่างโกโก้ไว้ก่อนและอาตมาไม่ได้พูดอย่างโกโก้ประเภทที่เรียกว่า คุยโฟกุยโม่คุยโตคุยฟุงเฉยๆไม่ใช่เรามาพูดกัเรื่องของคำว่าการเมืองอาตมาจะละไว้นะเพราะว่ามันความหมายเดี๋ยวนี้มันมีทั้งความหมายแฝงคำว่าการเมืองนี่มันมีทั้งความหมายแสดงมีความหมายอะไรเยอะเลยคำว่าการเมืองอาตมาว่าไม่ต้องพูดก็ได้ จะพูดถึงการบริหารปกครองอวิชาว่าในการบริหารปกครองประเทศก่อนจะถึงประเทศก็ย่อยลงมาหาคนตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งถึงกลุ่มหมู่ถึงหมู่บ้านตำบลอาเภอจังหวัดขยายออกไปเป็นกลุ่มโตขึ้นโตขึ้ น, ตนแต่สัมพันธ์กัน สัมพันธ์นี้แหละสัมพันธ์ในกลุ่มก่อนกลุ่มเล็กจงขยายหลายกลุ่มกลุ่มใหญ่ขึ้นจกนกระทั่งเป็นประเทศจากประเทศจะขยายสัมพันธ์ไปต่างประเทศก็อาศัยเนื้อคุณลักษณะเดียวกันคุณลักษณะเดียวกันไม่ไม่ต่างกันหรอกนะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนในครอบครัวนี้ทั้งครอบครัว หคนแปดคนมีคุณลักษณะมีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมคนในกลุ่มนี้มีคุณธรรมไม่มีอบายมุกไม่ฟุงฟ้งเฟ้อเฟื่องเฟยแบบโลกี้เป็นคนมีศีลมีธรรมอย่างน้อยศีลห้าเป็นต้นศีลห้าคืออะไรศีลห้าคือเป็นคนที่จิตใจโทสะ ไม่มีหรือมีก็ไม่โหดเหี้ยมไม่ฆ่าไม่ทําลายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าคนอย่าว่าแต่ฆ่าคนเลยสัตว์ก็ไม่ฆ่าจริงๆไม่มีใจโหดเหี้ยมถึงกันฆ่าสัตว์ที่เป็นชีวะชีวิตคนชีวิตสัตว์ไม่ทําลายเขาจะโกรธยังไงโท่สะยังไรก็ไม่ทําลายเขาเป็นคนมีจิตใจอย่างนั้นสองมีจิตใจไม่โลกมีโลก แต่ไม่ได้โลภเหมือนคนชาวโลกเป็นคนโลงกุลตะคือจิตไม่โลภทุจริตไม่เอาของผู้อื่นที่ไม่ใช่ของของตนสีข้อสองไม่เอาไม่เอาเปรียบไม่โกงไม่ทุจริตจริงๆิงจิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นจริงๆนโทสะก็ไม่รุนแรงโลภะก็ไม่รุนแรงไม่ไปทำทุจริตอย่างนั้นสีข้อสามเรื่องราคหรือเรื่องกรรม ไม่จัดจ้านไม่วุ่นวายอยู่กันอย่างธรรมชาติหัวเดียวเมียเดียวไม่ซ้าส้อนไม่มากไม่เดือดร้อนไม่ไปทำเรื่องเสียหายในเรื่องของเพศในเรื่องของการในเรื่องของอะไรที่มันทุกวันนี้มันแย่เต็มทีแล้วแต่ถ้าคนมีคุณลักษณะหรือมีคุณธรรมอย่างที่กล่าวนี้จริงๆไม่โกหกีก็สี ข้อห้ามไม่เสพของเมามึนเมาต่างจริงๆเลยเดี๋ยวนี้ของเสพมึนเมาเยอะเยอะมากมีความรู้แม่กระทั่งว่าไอ้ของมึนเมาที่ทํามาแฝงแฝงมันแบบกินกระตุน้นเป็นน้ําขวดน้ําอะไรเป็นเป็นน้ําอะไรกระตุน้นมีธาตุอะไรก็แล้วแต่มีธาตุที่มันกระตุ้นธาตุคาเฟอีนธา ต, าตุอะไรก็แล้วแต่อยู่ใน ส่วนผสมพวกนั้นเขาก็เอามาใช้ทำเป็นน้ำอะไรขายกันคนที่มีความรู้แล้วก็มีจิตใจแข็งแรงโลกเขาเอาสิ่งเหล่านี้มายั่วยวนมอมเมาปรุงไดยรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรก็แล้วแต่ยั่วยุวยวไม่ขึ้นเข้าใจแล้วว่ามันเป็นโทษเป็นภยัยเป็นพิษและก็ไม่มีจิตที่จะต้องไปอยากกิเลตตันหาที่มีนั้น ได้ถูกล้างได้ถูกสอนได้ถูกฝึกฝนเล่าเรียนจนจิตนั้นรู้ยิ่งเห็นจริงมีปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงจิตกิเลสก็ไม่มีที่จะไปบังคับให้ตัวเองต้องต้องไปละเมิดหรือไปเสพไปติดสิ่งเหล่านั้นจิตคนล้างได้อย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเอาแค่ศีหน้าในคุณลักษณะของศีหนาตามที่อัตมาพูดไปเนี่ยแท้ที่อธิบายไปแค่นี้ คนในบ้านนี้เมื่อกี้สมมติว่าคนในบ้านนี้ห้าคนแดคนไม่มีหรือมีคุณลักษณะอย่างนี้ไม่มีสิ่งที่มันไม่เข้าทา่ามีศีลห้าอย่างที่กล่าวเนี่ยเป็นคนที่ศีลสัมปทาเข้าถึงศีลห้าแบบนี้แล้วจริงบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่สุขสงบห้าคนแดคนก็ตามนี่คือรัฐศาสตร์ชนิดย่อลงมาหากลุ่มคนก่อน เพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อมีศีลอย่างนี้แล้วเป็นศีลที่มีคุณคุณภาพถึงขั้นคุณภาพที่ล้างกิเลสมันได้จริงคนนั้นบรรลุธรรมถ้าจะเรียกเป็นภาษาศัพท์ของทางธรรมก็เรียกว่าคนในบ้านนี้เป็นโสดาบันแล้วอย่างต่ําอย่างต่ําเป็นโสดาบันแล้วมีศีลหน้า ศีล ส, สัมปทาถึงศีล5เาพราะคคนกลุ่มนี้ก็จะมีฤทธิ์จะมีอำนาจจะมีเชื้อสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านสาคัญพันธกบิตรสหายนี่คือความหมายของรัฐศาสตร์ในความหมายที่ว่าความสัมพันธ์ต่างประเทศ คือแทนที่จะสัมพันธ์อยู่กันในหมู่กลุ่มของในครอบครัวเองก็สัมพันธ์กับมิตรสหายเพื่อนฝูงขยายออกไปเนี่ยตมาทำเป็นรูปร่างเล็กๆแล้วก็ขยายออกไปให้ฟังเพราะเมื่อคนนี้เป็นหลักฐานจริงๆเป็นคนมีปัญญามีความรู้ว่าคนควรจะเป็นคนอย่างนี้คนควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้ อย่างแข็งแรงด้วยมีคุณสมบัติเป็นคนมีศีลเป็นคนที่ไม่ถูกครอบงำตามฤทธิ์โลกีอบายมุกต่างๆของโลกีเดี่ยวนี้มันมากันอย่างโอ้โหพยายามที่จะแสดงอำนาจฤทธิ์เดชมอมเมายั่วยุใช้จิตวิทยาหวานล้อมครอบงำทำให้คนตกเป็นทาสให้ได้ แต่ถ้าเผื่อว่าได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วสํารอกกิเลสและเกิดปัญญาอย่างที่กล่าวแล้วนี่ศีลห้าเท่านั้นแหละแค่ศี่ห้าเท่านั้นแหละท้าทายพิสูจน์ได้เลยว่ารัตศาสตร์หรือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าที่สอนคนให้มีให้คนนี่เป็นหลักเมื่อคนมีคุณสมบัติอย่างนี้แล้วมีคุณลักษณะอย่างนี้หรือมีคุณธรรมอั น, นนี้อย่างนี้แล้ว คุณธรรมนี้มันเป็นคุณธรรมระดับคุณวิเศษเป็นอาริยะเป็นคุณสมบัติขั้นอาริยะบุคคลถ้าทำได้อย่างนี้แล้วจะขยายผลเป็นตามวิชารัชศาสตร์เนี่ยสัมพันธ์กับคนข้างนอกเพราะคนที่บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วนี่จิตแข็งแรงคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ จิตแข็งแรงคนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเป็นให้มันเป็นเป็นอย่างที่โลกโลกเขามอมเมาเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมีทั้งปัญญาและเจโตปัญญาคือรู้เท่าทันรู้เข้าใจแล้วเข้าใจอย่างสนิทสนมเลยเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งเลยว่าไอ้ที่เลิกมาแล้วไอ้ที่ไม่มีไม่เป็นน่นะโลกก็จะเป็นอยู่เต็มไปเลยนะมากมายกายกองเขาติดอบายยมุกกันเขาไม่มีศีลไม่มีธรรมอะไรกัน เขาประพฤติอย่างที่กูเขาเป็นกันเยอะแยะเลยละ่ะไม่ใช่ว่ามาเรามีเยอะเขามีน้อยไนมะ่ใช่เขาเยอะเลยเยอะอย่างเทียบกันไม่ได้เลยแต่ผู้ที่บรรลุแล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนที่สัพที่พระพุทธธาตุว่าเอาไว้นี่โอ้โหสัพ์นี้อาตมาเอามาใช้บ่อยเหมือนก้อนน้าแข็งกลางเตาหลอมเหล็ก มันจะมีฤทธิ์ขนาดไหนร้อนร้อนรุนแรงที่จะเผาผลาญอะไรคนอื่นให้ย่อยเป็นจุนเป็นด้วยเลยแต่ความสามารถของการบรรลุ ธ, ธรรมจิตที่บรรลุ ธ, ธรรมของพระเจ้าพาเป็นเนี่ยมันเหมือนเหมือนก้อนน้ำแข็งที่บอกว่าโอ้มันน่าจะละลายต่อความร้อนสูงสูงแต่อยู่ได้ไปอย่างก้อนน้ำแข็งเฉยอย่างก้อนน้าแข็งโลกๆแล้ละลายแน่แต่นี่เป็นก้อนน้าแข็งวิเศษเป็นก้อนน้ําแข็งที่ โอโ้มีคุณภาพหรือคุณลักษณะมหัศจรรย์อยู่ได้ท่ามกลางเตาล้อมเหล็กที่มีอุณหภูมิตาหอมเหล็กเนี่มันล้อมได้ในกี่องศาใครมีความรู้มัง้งทองเหลืองที่เราล้อมกันมาหล่ออะไรต่อะไรนี่เขาใช้กี่องศาทองเหลืองเนี่เหล็กมันก็ใกล้ๆกักกกกกกนมัน้งนะกี่องศา ไม่ถึงพันองศามั้งหกร้อยเจอะไรนี่เอาละเท่าไหรก็แล้วแต่อาตมาไม่มีความรู้เลยอันนี้ว่าตะลายโลหะอันนี้ใช้ความร้อนกี่องศาจะ ก, กี่องศาก็แล้วแต่เตาล้อมเหล็กก็มีความร้อนเหมือนเหล็กเทียบเคียงให้ฟังเป็นคำคำเปรียบเทียบอะ่ะที่จริงน้ําแข็งนี่ไม่ต้องไปอยู่ในเตาหลอมเหล็กหราตั้งเฉยๆอุณหภูมิ 20-30 มนี่มันก็ละลายแล้วเพราะน้ำแข็งมันสูนองศา อ, อยู่ในที่ที่สิบองศามันยังละลายเลยเพราะถ้ามันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันก็ฟับเดียวแต่ก้อนน้ำแข็งมหัศจันเนี่ยมันไม่ละลายก้อนน้ำแข็งของพุมภุริเจ้าหรืก้อนน้ำแข็ง ม, มหาศจัน แต่พุ ธ, ธทาสทยกตัวอย่างเทียบไว้เนี่ยอัตมาว่าคนฟังแล้วก็ใจง่ายมันไม่ละลายก้นอนนกแขมมาสจาย์นี้ไม่ละลายเราไปห้ามอำนาจโลกห้ามอำนาจของความร้อนเหมือนเตาหลอมเหล็กของโลกเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกและมันจะร้อนขึ้นยิ่งกว่าเตาหลอมเหล็กด้วยโลกีเนี่ยมันจะจัดจ้านร้อนเรา่าร้อนรอ น, รนปลุกคนห้ามไม่อยู่หรอกแต่ถ้าเผื่อว่า ผู้รู้ผู้บริหารประเทศมีความเข้าใจในคุณลักษณะดังกล่าวนี้แล้วก็เน้นโน้มทั้งทุกวิถีทางที่จะเอาทุกๆศาสตร์มาปรับแล้วก็ให้ใช้ศาสตร์เหล่านั้นเน้นเข้าไปสู่จุดให้คนพัฒนาได้ให้คนพัฒนาเข้าไปสู่คุณลักษณะที่พระพุทธเจ้า ทัดสอนคือให้กิเลสของคนลดเจ้าศาสตร์อะไรมาช่วยก็ตามทุกด้านรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์ไอไลศาสตร์ศาสตร์ในการผลิตอะไรอะไรก็ตามด้านวิทยาศาสตร์ด้านกนลศาสตร์ด้านศาสตร์อะไรก็ตามใจเอามาทำอย่างไรมาร่วมกันคนละมุมคนละแง่คนละเชิงที่จะทำให้เกิดล่อล้อมคน ให้เกิดทานพฤติกรรมทางกายวาจาใจให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนที่ลดกิเลสได้โดยแท้จริงศาสตร์อย่างนี้และรัฐศาสาตร์จำเป็นและต้องการอย่างยิ่งทุกวันนี้รัฐศาสาตร์ที่สอนกันในเป็นแต่เพียงว่าไปจะไปทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาบริหารคนเพื่อที่จะให้คนนี้ไม่ทุกข์ร้อนอยู่ดีกินดี ความหมายอย่างนี้เข้าใจกันหมดเจตนาเหมือนกันหมดนักรัฐศาสตร์ทุกแห่งหนก็จะจะทำอย่างนี้แต่จะทาอย่างไรราให้คนเหล่านั้นเนี่ยกินดีอยู่ดีไม่ตีรันฟันแทงไม่ฆ่าแกงไม่แย่งชิงอยู่ในความสงบเรียบร้อยอบอุ่นสามคัคคีมีกินมีอยู่สุขภาพดีชีวิตดีสุขสบายเป็นสุขไม่ทุกร้อน ซึ่งความหมายกว้างๆอย่างนี้รู้กันทั้งนั้นจะทําอย่างไรซึ่งเขาเองเขาก็ไปใช้วิธีใช้กฎเรว่ากฎหมายใช้กฎใช้หลักเกณฑ์ศึกษาหลักเกณฑ์กันเพื่อที่จะเป็นกรอบบังคับอันนี้ไม่ให้ทำเพราะทำแนละ้วมันจะเสียหายให้ทําได้แค่นี้มีอย่างกําหนดบังคับมากบังคับกลางบังคับน้อย บังคับมากถึงขั้นถ้าละเมิดผิดข่าประหารชีวิตบางอย่างก็ไล่เรียงมาติดคุกนะมีระยะมีกำหนดมากหนักหรือกลางกลางหรือน้อยๆก็ตามลาดับมานะร่างกฎระเบียบ ว, วิธีการพวกนี้ก็เป็นวิธีการที่โลกเขาใช้าศาสนาก็ใช้ ไม่ใช่ไม่ใช้กฎระเบียบหลักเกณฑ์เรียกว่าศีลเรียกว่าวินัยอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใชใชเหมือนกั น, นทีนี้คนเราเนี่ยจะทำตามกฎระเ บ, บียบวินัยเนี่ยคนที่จะทำได้ดีเนี่ยก็คือคนที่เห็นแก่ตัวน้อยหรือไม่มีความเห็นแก่ตัวก็จะทำตามกฎต่างๆพวกนี้ได้ ยกตัวอย่างอย่างประหลาดประหลาดออกกฎระเบียบ ม, มาให้คนกินข้าววันละมือ้อนะกฎหมายประเทศนี้ให้คนกินข้าววันละมือ้อคนที่ได้ปฏิบัติธรรมหัดฝึกมาดีแล้วทำได้เลยแม้มันจะประหลาดแม้มันจะรุนแรงโอ้โห บังคับกันมากไปนี่บังคับสิทธิมนุษยชนนะจะจะกินห้ามือเรื่องของฉันเงินของฉันน่ะปากของฉันน่ะฉันจะกินสิบมือให้พุงฉันกลางในไขมันมันอุดตุกออกตายก็ช่างฉันเถอะมันสิทธิของฉันน่ะแต่รัฐบางรัฐเขาออกได้เขาจะทําอย่างนี้ก็ทำได้บางรัฐเขาก็ออกแรงแรๆบังคับ อย่างของเรานี่ก็คล้ายๆกันแต่เราไม่ถึงบังคับขนาดนั้นแต่เราก็ให้คนสมัครมานะสมัครมาเลือกเอาเนี่ยกดข้อบังคับมันจัดหน่อยเนี่ยมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยกินมือเดียวนะไม่กินเนื้อสัตว์ผู้ใ ด, ดเห็นว่าตัวเองทาได้ก็มาและถ้าเราไม่กินเนื้อสัตว์เรากินวันละมือเดียวเนี่ยเราดีขึ้นหรือเราจเจริญขึ้นหรือว่าเราเดียวลงหรือว่าเราแย่ลง ถ้าคนที่เขาปฏิบัติมาฝึกฝนตนเองมาอบรมศึกษามาได้ดีแล้วมันดีนี่มากินมือเดียวได้มันดีดีได้หลายประการไม่ขยายความพระบุทรเจ้าท่านตรัสไว้นะ่ตั้งห้าอย่างเนี่ยฉันมือเดียวมีคุณประโยชน์ตั้งห้าประการท่านตรัสไปตั้งสองพันรกว่าปีมาแล้ว พราะใครเห็นความจริงอันนี้ใครเห็นความดีนี้ก็มาทําเอาฝึกตนจนกระทั่งมาเป็นได้ดังนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นกฎหมายหรือหลักเกณฑ์หรือหลักสีอะไรก็แล้วแต่ออกมาแล้วจะเข้มงวดกวดขันจะดูแรงดูยังไงคนที่ปฏิบัติเป็นคนดีเป็นคนที่สูงเป็นคนเจริญแท้จริงแล้วเนี่ยทําได้ทําได้ยกตัวอย่างง่ายๆบางประเทศเขาบอกแต่งงานแล้วหย่าไม่ได้ เอแต่งแล้วแต่งเลยยาไม่ได้จะเป็นยังไงก็ต้องยาไม่ได้แต่งแล้วยาไม่ได้ไม่ง่ายนะอกฎระเบียบอย่างงี้ไม่ง่ายเขาบอกแต่งแล้วยาไม่ได้เออเขาเรามีจัดกันนั่นอีกมาที่นี่แล้วไม่ต้องแต่งงานเลยไม่ให้แต่งอเอาจัดกันนั่นอีกคุณสมัครใจไหมล่ะ สมัครใจเข้ามาสมัครเข้ามาอยู่ในกรอบของของกลุ่มนี้กลุ่มคนนี้คนกลุ่มนี้ไม่แต่งงานเลยไม่แต่งงานมันดีปเปล่าดีอย่างไรคนที่จะสมัครมาก็ต้องรู้แล้วว่าเออหมดอยู่กลุ่มนี้ไม่แต่งงานดีกว่ายิ่งกว่านั้นอีกนะประเทศไหนก็รับรองว่าไม่เหมือนประเทศนี้ประเทศต่างๆไม่มีประเทศไหน กล้าที่จะออกหลักเกณฑ์ว่าอยู่ที่นี่ทำงานฟรีไม่มีเงินส่วนตัวโอ้โหประเทศนี้รัฐนี้เนี่ยมันอุอกติเหลือเกินอุกติขนาดหนักเลยกลุ่มนี้รัฐนี้ชุมชนนี้ประเทศนี้มีกฎมีหลักว่าไม่ต้องมีเงินส่วนตัว ขยันมันเพียนไม่ขยันโดนจี้ด้วยนะมาเที่ยวรอรอแลมๆมาเทีย่ยวเลยแหมทําเป็นแฝงโดนนะโดนเยอะทํามาหาได้เท่าไหร่เอาเข้าส่วนกลางหมดไม่เป็นของตัวของตนไม่มีสมบัติส่วนตัวไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเดือนโอ้โหรัฐศาสตร์ในรัฐนี้กลุ่มนี้ชนกลุ่มนี้ มีหลักเกณฑ์มีวัฒนธรรมได้ถึงปานชนีเนี่ยและการไม่ต้องมีเงินเลยการมีเงินก็ของส่วนกลางแล้วก็มาอยู่กันช่วยเหลือเฟอือฟายกันไปใครหาได้มากมีสมรรถนะสูงสร้างสรรคเยอะได้เยอะได้มากๆก็ไม่เป็นของเราหรอกเราไม่ต้องรวยเอาเข้ากองกลางหมดแล้วก็เกือกูลกันใช้จ่ายไปเลี้ยงประชากรหมู่กลุม่มและก็ออกต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ทางต่างประเทศช่วยเหลือเฟือไฟออกต่างประเทศด้วยคนที่เข้ามาในหมู่นี้กลุ่มนี้ก็เข้าใจว่าโอ้มันเป็นความประเสริฐของมนุษย์มันเป็นคุณค่ามันเป็นคุณงามความดีเราพอใจเต็มใจเหลือเกินที่มันอยู่กับคนกลุ่มนี้สบายผู้ที่ได้ฝึกฝนตนเองศึกษาเรียนรู้ตัวเองแล้วจะเรียกวิชานั้นว่ารัฐศาสตร์จะเรียกว่าสังคมศาสตร์จะเรียกว่ า, าศาสรศาสตร์ จะเรียกว่าเสือศาสตร์อะไรก็ตามใจแต่คนนี้ฝึกได้เป็นคุณลักษณะอย่างนี้มีคุณสมบัติแบบนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่านี่คือรัฐศาสตร์อย่างยิ่งเพระเาะฉะนั้นการบริหารประเทศในความหมายของรัฐศาสตร์หนึ่งการเมืองสองการบริหารประเทศ 3. ความสัมพันธ์ต่างประเทศ การบริหารประเทศนี่ถ้าเผื่อว่าเข้าใจหลักอย่างที่อัตมากล่าวนี่แล้วสามารถที่จะเน้นคนคำตอบอยู่ที่คนจะหาวิธีการอย่างไรจะมีศาสตร์อะไรก็ตามใจเธอเอาศาสตร์เหล่านั้นมาใช้ให้คนหล่อล้อมคนเกิดกายกรรมวริีกรรมมโนกรรมเกิดจิตปัญญาณ น, น่นแหละพัฒนาขึ้นมาเจริญขึ้นมา ปรับปรุงขึ้นมาให้เป็นคนอย่างนั้นได้อาตมาว่าอย่างนี้เป็นรัฐศาสตร์แนวพุทธเป็นรัฐศาสตร์ที่ยังไม่เคยมีในตำราของมหาวิทยาลัยใดๆในโลกชาวโศกเราปฏิบัติประพฤติฝึกฝนตามแนวรัฐศาสตร์ดังที่อาตมากล่าวนี้ไหม นะอาตมาถามว่าชาวโซรอนี่กลุ่มชาวโสเราปฏิบัติตามวิชาการถ้ า, า จ, จะว่าไปแล้ววิชาความรู้าศาสตร์มีความหมายคร่าวๆอย่างที่อาตมาพูดไปเนี่ยให้เกิดคุณลักษณะอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้ให้คนเกิดคุณลักษณะอย่างนี้เนี่ยชาวโซเราได้ทํำไหมประพฤติไหมสั่งสอนกันไหมอบรมกันไหม ทำไมนี่คือรัฐศาสตร์ซ้อนอยู่ในรัฐศาสตร์ของประเทศเรียกว่ารัฐศาสตร์แนวพุทธอัตมาพูดในโมเมหรือเปล่าในนักรัฐศาสตร์จบรัฐศาสตร์ปรยาเอกปรยาโทในยกมือทีมีไหมอยู่ตรงนี้รัฐศาสตร์ปรญาโทปรยาเอกปริเตรียวตรีอัตริศาสตร์ตรี โอ้มีอยู่หลายคนอ่า น, น่าเป็นานายตำรวจมีอยู่หลายคนรัฐศาสตร์ปริยาตรีแต่ไม่มีโทรไม่มีเอกมาฟังเลยก็ อ, อย่างนี้แหละนะไม่เป็นไรเขาไม่มาฟังก็ไม่เป็นไรนะไนโทรนยนาะรัฐศาสตร์เนี่ยโทรนะเออยังมีคนคนเดียวหรือหลายคนคือมองไม่เห็นคนมันเยอะต้นไม้มันมากกว่าคน ต้นไม้มันมากกว่าคนซะละก็เลยมองกันไปไม่ทั่วถึงนะนั่งอยู่ในพุ่มในร่มในเงาไม้เยอะเลยเลยไม่รู้อ่านมองไม่ออกไม่เป็นไรนะก็ไม่เป็นไ ร, น ก, ไนไรก็ถามไปเป็นเป็นการอธิบายเชิงเชิงอธิบายองค์ประกอบของการอธิบายเท่านั้นเองน่ะทีนี้เราเนี่ยร่วมกับ โลกเขาร่วมกับประเทศเขาเขามีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ของว่าโดยการเมืองว่าโดยการรัฐศาสตร์เขามีพักการเมืองเขามีภาคปฏิบัติที่จะตร่วมกับรัฐร่วมกับประเทศมีหลักเกณฑ์มีกฎหมายมีข้อระเบียบอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เราก็ปฏิบัติ อยู่ในข้อกฎหมายเหล่านั้นอยู่ปฏิบัตินะเราไม่ใช่ไม่ปฏิบัติปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆของเขาหลักเกณฑ์ของเขาเราก็แบบนี้ไม่ละเมิดละเมิดไม่ได้ละเมิดถูกถูกจับกฎหมายผิดกฎหมายเขาก็ถูกจับละเมิดไม่ได้หรอกแล้วก็ทําแล้วเราก็ร่วมไม่ใช่เราทําแต่อย่างของเราโดยที่เราเราไม่ดูไม่แล้วของเขาจะมีพักการเมืองของเขาจะมีนักปฏิบัติอยู่ในพักเป็นกรรมการพัก เป็นคนดําเนินงานทางการเมืองเกี่ยวข้องเชิงนั้นเชิงนี้อะไรแล้วก็ทําไปได้เท่าไรก็รายงานสู่หน่วยของรัฐรายงานสู่กกตรายงานสู่องค์กรที่เป็นสถาบันที่ขึ้นเกี่ยวข้องกันขึ้นไปตามหน้าที่เราก็ทําตอนถึงกันเรามีพักการเมือง แต่ว่าพรรคการเมืองของเรานี่ขอยืนยันมาเป็นพรรคการเมืองแบบรัฐศาสตร์แนวพุทธเป็นการเมืองที่เป็นรัฐศาสตร์แนวพุทธไม่เหมือนเขาเมาาื่อวานนี้อาตมาก็ดูถ่ายทอดสดที่เขาอภิปรายกันโอ้ซัดกันเละยวนกันเละยวนกันไปยวนกันมาสัดกันไปสัดกันมาอาตมาสงสารประธานนะเนาะโอ้กด ข่มไม่ให้โกรธไม่มันโมโหโทโสก็ดีแล้วเก่งแล้วกดข่มได้ยั่ยวนกันยวนกันไปยวนกันมาเมันจะเหมือนแกล้งหรือไม่แกล้งอัตมาก็ไม่เข้าใจสถาบันระดับชาติอย่างนั้นว่ากันไปว่ากันมายั่วกันไปยุกันมาอทําไปงงอย่างนี้ต่างคนต่างเข้าใจต่างคนต่างถือจริตของตนเองอ ก็สัตกันไปว่ากันไปว่ากันมาแหมโอ้โหกฎระเบียบข้อนั้นกฎระเบียบข้อนี้อย่างโ น, น้นอย่างนี้เถียงกันไปเถียงกันมาอยานั้นเอ า, เอากฎมาสัตยกันต่างคนต่างเก่งใหญ่ว่ากันไปว่ากันม า, เ, าเสร็จแล้วก็จะทําไปตามที่ตนเข้าใจตนเองต้องการจะให้เป็นอาอตมาเห็นแล้วก็น่าสงสาราดูแล้วก็เอเอ มันไม่ไม่มันไ ม, ไม่ไม่ไหวหรอกมันทารุณอาตมาว่าทารุณเพราะว่าจิตใจคนเนี่ยเมื่อไม่ได้ฝึกจะเอาแต่ใจตนเอาแต่ชนะฆาคารและพนวกโลกกระทำเพื่อลาเพื่อยศเพื่อสันเสริญเพื่อเงินทองเพื่ออะไรของตัวเองออกไปอีกมันเป็นตัวเหตุปัจจัยในการที่จะต้องเอาชนะถ้าไม่ชนะนี่ฉันไม่ไหวนะลาฉั้นด้อยไปยศชั้นด้อยไปสันเสริญฉันด้อยไปฉันได้เสพกามน้อยไป เจ็บําเบอใจกูอัตราของกูนี่น้อยไปเขาทนไม่ได้ถ้ามีสิ่งเหล่านี้เป็นตัวกําหนดเป็นตัวที่บังคับคนเหล่านั้นอยู่นะมันไม่มีการซื่อตรงมันมันจะต้องลำเอียงมันต้องเป็นชั้นทาคติโทสาคติโมหคติพยาคติแน่นอนที่สุดะจะเกิด สภาใหญ่จะเปิดกลุ่มชุมชนที่เข้าไปร่วมกันทําอย่างไรมันก็จะเถียงกันแย่งกันมันก็จะทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นน่ะตราบแตใดที่คนเหล่านั้นไม่มาฝึกฝนตนเองให้เป็นคนลดกิเลสยิ่งกิเลสมากขึ้นยิ่งได้อํานาจได้ช่องได้ฐานะได้ตําแหน่งเาก็ยิ่งจะขบกันขึ้นไปขบกันขึ้นไปคบกันขึ้นไปเบ่งทับกันขึ้นไปอะไรขึ้นไปตลอดเวลายิงมันมีอํานาจ คนที่มีฐานะสูงกว่ามีอำนาจยิ่งกว่ามากกว่าเขาให้อำนาจอย่างนั้นก็ตามมันก็ไม่ยอมนั่นก็ไม่ยอมเพราะกิเลสมันไม่ยอมโดยเฉพาะคนที่ขึ้นไปสูงแล้วมีกิเลสก็ไปใช้อำนาจที่ตัวเองได้คมกันคนเล็กมันก็ไม่ยอมกันคนที่อยู่ข้างล่างที่โดนคนคมโดนเอาเปรียบเอารัดมันก็ไม่ยอมไอ้ยอมหรือไม่ยอมนี่ก็เอาเถอะ ปัญญาที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเนี่ยถ้ากิเลสมันมีแล้วเนี่ยมันมันบดบังบดบังเนี่ยมันต้องการลาบอย่างนี้ให้แกตัวเองมากมันบดบังความถูกต้องมันจะเบี้ยวมันจะเพี้ยนมันจะผิดโทสะก็บดบังความถูกต้องมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนจะเบี้ยวจะผิดโมหะนี่คือความหลงผิดเลยมันผิดแน่นอนโมหะมันหลงผิดผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัวหลงผิด ยิ่งไปใหญ่เลยเพราะงั้นการแก้ปัญหาหรือการศึกษาไม่ว่าจะศาสตร์ใดๆยิ่งรัฐศาสตร์เป็นสาสตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารมนุษยชาติถ้าเผื่อว่าไม่พยายามที่จะทําอย่างไรที่จะบริหารให้มีการศึกษาให้มีคนเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมไปได้อย่างอย่างพอใจไม่จะถูกบังคับ คอมมิวนิสต์เนี่ยอคอมมิวนิสต์มีหลักเกณฑ์วิธีการในการที่จะจัดสรรการบริหารสังคมบริหารรัฐ ด, ด้วยระบบวิธีคอมมิวนิสต์ใช้อํานาจเขาเรียกอํานาจเผด็จการหมู่เผด็จการหมู่ท้าวอด้วยการบริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์เป็นเผด็จการหมู่ท้าวอ คณะนันนะพักคอมมิวนิสตนะ์เป็นพักเดียวเป็นพักหนึ่งพักเดียวไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงพักนี้นี่สืบทอดกันโดยบุคคลอยู่ในพักนี้พักเดียวและใช้อำนาจทั้งรัฐทั้งประเทศออกกฎหลักมาควบคุมว่าจะควบคุมอย่างไรก็แล้วแต่คนต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎหลักนั้น คนก็ถูกบังคับความเห็นแก่ตัวของคนในในขนาดคนชั้นล่างพูดไม่ได้คนที่สูงขึ้นมาก็พูดไม่ค่อยได้ด้วยคอมมิวนิสต์สรุปแล้วก็คือพด็จการมุงพด็จการพักและพักเดียวตลอดการด้วยนี่คือระบบคอมมิวนิสต์ความหมายของเขาเขาต้องการก็คือ ต้องการได้ช่วควบคุมการบริหารโดยการไม่เสียเปรียบได้เปรียบกันมากคนมีสมรรถนะสูงคนที่มีความสามารถมากก็ควรเฉลี่ยให้กับคนมีความสามารถน้อยเกื้อกูลกันทีนี้จะให้เขาแจกกันเขาไม่แจกคนที่มีสมรรถนะมากมีนิสัยทุนนิยมมีนิสัยแบบเดิมค่าทําได้มากค่าก็เอามากค่ามีปัญญามากฉลาดมาก แม้ทำไม่ได้มากข้าก็จะเอามากๆหาวิธีที่จะโลภได้มากๆก็เปรี่ยวเอารัด ก, กันไปเพราะฉะนั้นวิธีของเผด็จการก็ตามวิธีของประช า, ะาธิปไตยทุนนิยมก็ตาม <c oughs> เขาเห็นว่ามันเฉลี่ยกันไม่จริงคอมมิวนิสต์ก็เอามาจัดการแต่คอมมิวนิสต์เขาก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาไม่ได้ลดกิเลสเขาก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกเห็นแก่ลูกเต้าเหล่าล้านของพวกอยู่อย่างเดิม และบังคับจิตใจมากด้วยไม่อิสระเสรีเหมือนประชาธิปไตยด้วยหรือแม้ทุนนิยมไม่อิสระเสรีเท่าด้วยเพราะฉะนั้นเอามาใช้กับรัฐเอามาใช้กับประเทศไม่นานก็บันเลยล่มละลายไปเอามาใช้ต่อไปไม่ได้เพราะคนไม่ยอมรับประชาชนไม่ยอมรับ เขาก็ปฏิวัติคว่ารัฐทีนั้นไปเสียซึ่งก็เข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ทีนี้วิธีการรัฐศาสตร์แบบคอมมิวนิสต์กับรัฐศาสตร์แบบบุญนิยมหรือรัฐศาสตร์แนวพุทธจะเรียกว่ารัฐศาสตร์แนวพุทธหรือรัฐศาสตร์ บ, บ, บุญนิยมก็ได้อันเดียวกันถ้าแนวพุทธนั้นมันเป็นแนวพุทธแบบบุญนิยม แบบไหนแท้ๆแบบชาวโศกไงที่นั่งๆอยู่นี่หน้าชาวโศกกระเทือบท่านั้นพูดได้ชัดเจนคนข้างนอกก็มีบ้างก็รับฟังไปบ้างเท่านั้นเองแต่นอกนั้นเป็นชาวโศกเท่านั้นเพราะฉะนั้นแนวนี้แหละแนวมาล้างกิเลสตามที่พุทธเจ้าท่นพารำขอมนิ์ไม่มีาศาสนาไม่มีแนววิธีที่จะล้างกิเลสเลยดูถูกาศาสนาด้วย และศาสนาต่างๆมันก็ไม่ค่อยจะช่วยให้ล้างกิเลสเท่าไหร่แต่ศาสนาพุทธล้างกิเลสจริงๆแต่ศาสนาพุทธทุกวันนี้ก็ไม่ล้างกิเลสจริงด้วยมันก็เลยทำให้คอมมิวนิสต์เขาไม่รู้จักศาสนาพุทธเขาก็ไม่ศรัทธาอาตมา ถ, ถึงวัดเสียดายแม่คาร์ลมาร์ซยังไม่น่าตายเร็ว น่าจะอยู่พบปัมมาพบกลุ่มมูชาวโศกซะ ก, ก่อนจริงๆนะจริงๆเลยหรือไม่ เ, เลนินก็ยังดีเนาะเหมาก็ยังดีเนาะแม่ตายไปก่อนหมดลุงโฮก็ยังดีเนะาะเขาได้ขนาดหนึ่งนะเอาเถอะจะลุงโฮพยายามที่จะทำเวียดนามให้เป็นอย่างนั้นก็ตามเขาก็ยังดีนะ เขาก็ยังรู้สึกว่าเขาเข้าใจในความมาักน้อยสันโดษความขยันหมั่นเพียอรอะไรจต่างๆนาน า, นาและเขาก็พยายามแบ่งแจกแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าไม่ล้างกิเลสออกมาให้ได้ไม่มีหลักวิชาที่จะล้างกิเลสเป็นปรมาถธรรมรู้จกกัจกจิตเจตสิกมียาตปริญญามีติระนัปริญญามีปะหานปปริญญาอ่านจิตเจตสิกอ่านกิเลสในจิตแล้วก็ล้างกิเลสถูกตัวตน เป็นอัตตานุติธิมีความเห็นในอัตตาล้างจนถึงขั้นอนัตตาจิตไม่มีกิเลสได้จริงหมดตัวตน ห, หมดหมดอัตตาของมันถ้าไม่ชัดอย่างนี้ไม่จริงอย่างนี้นะอาตมาขอยืนยันได้ว่าได้ชั่วระยะหนึ่งอาจจะ20ปี30ปี50ปีร้อยปี200ปีอ่ะเสร็จแล้วไปไม่รอด ตายไม่รอดเพราะว่ากิเลสมันไม่อยู่กัที่กิเลสไม่ไม่ไม่นิ่งกิเลสมันไม่มันไม่เที่ยงกิเลสไม่เที่ยงนี่ไม่ได้หมายความว่ามันลดลงนะนะกิเลสไม่เที่ยงนี่อย่านึกว่ามันลดลงนะมันไม่เที่ยงนะมันโตขึ้นมันเป็นปุถุชนเป็นคนปุถุมันอ้วนขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นมากขึ้นด้ยมันเป็นปุถุชนยิ่งยิ่งขึ้น มันไม่ได้เป็นอาริยชนยิ่งยิ่งขึ้นเลยมันเป็นปุตตชนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีริด จ, จริงห้ามมันไม่อยู่กิเลนมันมีอํานาจมันมีแรงมันมีริดมันครอบงําคนเพราะงั้นอยู่ได้ไม่นานหรอกไปไม่รอดทีนี้รัฐศาสตร์อย่างแนวพุทธรัฐศาสตร์ที่อาตมาขอเรียกว่ารัฐศาสตร์บุญนิยมเนี่ย เป็นรัฐศาสตร์ที่อาตมาบอกแล้วว่าเป็นรัฐศาสตร์ที่เน้นคนรัฐศาสตร์ที่จะพยายามคนเป็นคําตอบคําตอบอยู่ที่คนตั้งแต่หนึ่งคนสองคนขึ้นมาเป็นกลุ่มครอบครัวหนึ่งมีสมคนห้าคน8ดคนขึ้นมาสามารถที่จะเรียนรู้สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นอารียบุคคลหรือเป็น อ, อิริยชนอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างแท้จริงได้ เป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนกล้าจนจริงๆมีความเข้าใจจริงๆเลยว่าโอ้เราเป็นคนจนนี่แหละทำมาหาได้สร้างสรรได้มากๆกก็เอามาแบ่งแจกคนอื่นเฉลีย่ยบริจาคคนอื่นไปมันเป็นคุณค่าของเราประเด็นนี้สาคัญนะทุนนิยมนี่ทำได้มากๆๆๆแล้วเอาไปเป็นตัวต่อโลภให้มากเก่า ให้ได้มากว่าเขาได้มากเท่าไรนั่ น, นแหละคือความสําเร็จทางทุนนิยมแต่บุญนิยมเนี่ยทำได้มากมากมา ก, มากแล้วนี้จะได้ช่วยห้ือคนอื่นได้ช่วยไปเท่าไหร่เราเป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นอ่าเสร็จแล้วมีวัฒนธรรมหรือมีระบบมีวิธีการดําเนินชีวิตอยู่กันอย่างรวมมีระบบเกื้อกูลกันคนนั้นถนัดอันนี้คนนี้ถนัดอันโน้นคนนั้นถนัดอันนี้รวมกันอยู่แล้วก็ช่วยกันทําทุกอย่างที่เป็นงานที่จําเป็น งานที่สำคัญของมนุษย์จะพึงกระทำอยู่ในสังคมก็แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบช่วยกระรังสันขึ้นมาทำทำขึ้นมาได้แล้วก็ชีวิตก็ได้อาศัยสิ่งเหล่านั้นต่างคนต่างทำต่างคนก็ได้อาศัยกิจการงานต่างๆที่เราต้องทำนับตั้งแต่ ง, งานขัดซ่วมงานเก็บขยะงานทำความสะอาด งานจัดการกับขยะเนี่ยทุกวันนี้ยิ่งสําคัญเพราะว่าขยะมันมากขึ้นแล้วมันสร้างขยะกันเนี่ยด้วยความฉลาดหรือความโง่ไม่รู้ว่าคนอะ่ะยิ่งนึกว่าศีวีไลนึกว่าเจริญงอกงามมากขึ้นขยะยิ่งมากขยะมันยิ่งมากขึ้นทุกวันเพราะว่ามันทําแล้วมันก็ทิ้งทําแล้วมันก็เอาอะไรขึ้นมาทําเป็นเรื่องปลอมเรื่องเปลือกเปลือกเปลือกไอ้ของแท้อยู่แค่เนี้มันมีเปลือกหุ้มูมยิ่งมากมากมากมากแล้วก็ ต้องทิ้งเป็นขยะออกมายิ่งมากขึ้นเลยเปลือกยิ่งเยอะไอ้ปเปลือกเหล่านั้นะกลายเป็นขยะหลายอย่างเอ็สารที่สารที่มีเคมีสารทีป่ปรุงในเคมีก็เลยเป็นพิษตกไปในน้ำก็เป็นพิษในน้ำตกไปในดินก็เป็นพิษในดินตกไปในนั่นที่นั่นที่นี่ก็เป็นพิษในที่นั่นที่นี่อีก นับวันจะมากขึ้นเพราะคนของพุทธนี่เป็นคนมีวันนะเกนะ้าซึ่งอาตมาอธิบายแล้วอธิบายอีกวันนี้ไม่ขยายความหรอกเพราะว่าขยายความก็จะซ้ำซ้อนและมันก็จะไม่มีเวลาที่จะพูดอื่นบางคนที่มีคุณลักษณะวันนาเก้านี่อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยทุกวันนี้อาตมากล้าพูดแล้วก็พูดได้ดีพูดได้ฟังกันได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีความจริงมีของจริงเป็นตัวอย่าง เรียกง่ายหมายความว่าอะไรบํารุงง่ายหมายความว่าอะไรมักน้อยหมายความว่าอะไรสันโดษหมายความว่าอะไรสันโดษไม่ได้หมายความว่าไปอยู่โดดๆเดียวๆเนี่ยนะนี่คือคนสันโดษไม่ใช่คนสันโดษคือคนใจพอคือคนแค่นี้พอแล้วไม่เพิ่มอีกเรไม่เอามากกว่านี้อีกมันสัมพันธ์กับมักน้อยสันโดษเนี่ยเท่านี้ก็พอถ้าเราไม่พอเรายังมากหยุดเบลืองอยู่คัดให้พอ กินข้าววันละห้ามื้อว้าไม่ไหวแล้กกินแค่สองมื้อสามื้อก็พอหัดจนส่สามมื้อพอก็สัโดดสําเร็จไปขั้นหนึ่งโอสามื้อยังมากหัดลงมาสองมื้อให้พอสัโดดได้พอหัดได้ก็โอ้เราสัโดดได้ละใจมันพอทุกอย่างมันพอสรีระมันพอกินวันละสองมื้อพอสองมื้อยังมากกินมันวันละมื้อเดียวพอคนใช้เงินเดือนหนึ่งห้าหมือนโอมันมากมาหัดใช้สามหมื่นเถอะ ลดลงหัดประหยัดหัดประณีดหัดรู้จักความจําเป็นความสําคัญฝึกไปเข้าไปไปจนกระทั่งใช้สาม 0,000 ืนพอนั่นคือสันโดษสามหมื่นละสามหมื่นยังมากอยู่หัดก็ไมาใช้หมื่นเดียวให้ได้จนกระทั่งใช้หมื่นเดียวก็พอก็สันโดษออมาด้วยหมื่นหนึ่งยังมากใช้เดือนห้าพันนะอย่างนี้เป็นตน้นจนกระทั่งห้าพันก็ยังมากลงมาฝึกใช้เดือนหนึ่งสอง ไม่ใช่พูดเล่นนะอาตมาพูดแล้วนี่คนข้างนอกเขาฟังแล้วก็บอกวิธีการอะไรข้อางมาันวะใครสอนนี่แหละาศาสนาพุทธสอนรู้จักมากน้อยสันโดษ ร, รู้จักวันหน้าเกสัมพันธ์กันะจะเป็นหลักคาถาวัตถุสิบก็ตามจะเป็นหลักของอะไรก็แล้วแต่แม้แต่หลักที่ให้ตรวจสอบตามธรรมวินัยโคตมีสูตรก็มีหลักมากน้อยสันโดษมีหลักที่จะต้องล้างกิเลสอาศังสัทธะอย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับไอ้ที่มันเฟอ้อ ปุ่นวายอะไรนี่ต่างๆนะทั้งนั้นแหละเลี้ยงง่ายเหมือนกันหลักตรวจธรรมวินัยก็ตา่างเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนมากน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนสงบร่างกิเลสมาจิตสงบไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่พอรู้แล้วว่าเออมันต้องพ อ, พ อ, อก็หยุดแล้วมันหยุดได้เจริมันไม่ได้นรน่นหระแล้วก็ไม่ทุกข์หยุดแล้วก็ต้องกดคมต้องกดดันสะสมเข้ากดดันดันดันหนักเข้าระเบิดไม่ใช่ งั้นไม่ใช่ถ้าอาตมาพาพวกเราปฏิบัติธรรมไปถึงร้อปีอาตมาจะสามารถพิสูจน์ได้เลยว่าคนที่อยู่ได้นี่ปฏิบัติธรรมไปจนถึงร้อยปีนี่นะแสดงว่าจิตนี้นี่ไม่มีทางเกิดอีกแล้ทางไ อ, อ, อ, อ้ประเภทที่กิเลสที่มันพาเกิดนี่มันตายแน่แล้วนี่ร้อยปีนี่ตายแน่เอาไม่ถึงร้อยปี80ก็เชื่อว่าอยู่ตายสนิทตายมันไม่เกิดแล้วนี่โอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นมาจนกระทั่งถึงปีนี้เป็นปีที่80 มาอยู่อโศกมันไม่เกิดจริงๆเลยนัดเชื่อเลยชัวรเอาไม่ถึง80เอา50ก็เชื่อละอาตมาว่า50ก็เชื่อ50ก็เชื่อไอน้นี่เราเพิ่งจะสร้างกลุ่มหมู่มาได้20ยังไม่ถึง30ปีดีสันเตียโศกสร้างพอสองพั9 ปีนี้ปีอะไรเท่าไหรแล้วอ no. ่ะยีปีแล้วอ๋อสามประศรงเกปีนี้48 29ปีจะ30แล้วนะใครนี่อยู่ตั้งแต่19มายกมือดิโอ้นั่นน่ะหนมาหลายคน เพราะงั้นถ้าเราสามารถอยู่ได้โดยคุณลักษณะอย่างนี้มากน้อยสันโดษอย่างนี้แหละเราก็ไม่ได้กระตือรือร้นอะไรมันไม่ทุกนะมันไม่มีมากกว่า น, นี้มันไม่ได้มากกว่า น, นี้กินใช้อยู่สักอย่งี้แค่นี้แค่ น, นี้มันก็สบายสบายสบายอยู่กันมาตึ้ง30ปีนี่อาตมาว่าโอ้โหมันเป็นของเป็นการพิสูจน์ที่ใช้ได้พอสมควรลนะอาตมาถึงยังไม่อยากตายเนะี่ยอยากจะพิสูจน์ความจริงนะถ้าตมาอยู่อีก ไม่มากไปน้อยอยู่ต่อไปอีกสักเจบกว่าปีอยู่ยไปอีก79ปี79ปีเป็นเท่าไหร่ฮะฮะอีกเจกปีนี่ไปไปอีกเป็นร้อ่เหรอ บวกยังไงอ่ะเลขเก้าก็เลขสองบวกกันนี่มันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ญ่เก้าแล้วนะฮะโอ้คณิตศาสตร์แย่เลยเนี่ยนะจบอะไรจบอะไรมาเนี่ยที่ไหนนึกว่ายัางไงก็พูดอยู่ชัดๆอยู่แล้วว่าเจ็ะสิบเก้าแม่เดือเจสิบก็วันนี้กำเินจ็สิบสองมาหลายวันแล้ววะอายุ7จสิบสองมาหลายวันแล้ว ถ้าได้อีก79ปีหรือจะเอาง่ายๆ80ปีแล้วยิ่งโอ้โหจะพิสูจน์ได้อีกจริงๆเลยเพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์หรือว่าศาสตร์ของกลุ่มคนศาสตร์ของกลุ่มคนรัฐนี่คือกลุ่มคนอาตอมาก็ถึงได้อธิบายตั้งแต่กลุ่มน้อยจนกระทั่งถึงกลุ่มหมู่บ้านทีนี้กลุ่มหมู่บ้านของเราเนี่ยตอนนี้เป็นหมู่บ้านหรือเป็นชุมชนชุมชนบางชุมชนนี่ จะโตกับหมู่บ้านหมู่บ้านตอนนี้เรามีอยู่สองราชธานีโศกกับศรีษะอโศกสองหมู่บ้านนอกนั้นก็ชุมชนชุมชนสันติอโศกชุมชนปฐมอโศกชุมชนศรีสะอศกว่ากันจริงแล้วมันก็จะว่าใหญ่ก็หมู่บ้านศรีสะอศกไหมอ่ะสัตนติจะใหญ่กว่ศาศรีษะอศกไหมใหญ่กว่าพลเมืองมากกว่าประชากรมากกว่า แต่ก็อยู่อย่างสันตินะเป็นแบบชุมชนหมู่บ้านสันติที่มีระบบพิธีคนเมืองมีแกนหลักเหมือนกันแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันปฐมทรสคเนี่ยกับศรีรษะโสกใครจะอบอุ่นคับข้างกว่ากันยังมีคำตอบเดียวเนาะจรงเอศรีรษะโศกกับปฐมปร ะ, ะสค คนปฐมคุณตอบมาพืชชาวปฐมคุณก็ตอบศีสศ า, าโศร ว, ว่าไงหนอยู่มุมไหนศีสศ า, าโศกฮะคุณเอาเครื่องอะไรวัดแน่นความควบแน่นของปฐมโศกมากกว่าความควบแน่นของศาอาีสาะโศกอ่ะ อาตมาพูดด้วยภาษาอย่างนี้เป็นภาษาที่เรียกว่ากำลังพูดถึงรัฐศาสตร์ก็ตามมันเป็นภาษาที่มองเห็นได้ว่าคือกลุ่มคนกลุ่มมนุษย์ที่ได้อบรมฝึกฝนได้รับการบริหารอาตมาว่าได้พากันบริหารไม่ใช่อาตมาคนเดียวพวกเราช่วยกันทั้งสมณศสิกขาทั้งครวาสช่วยกันบริหารกลุ่มหมูขึ้นมาให้เกิดกลุ่มหมูอย่างนี้ กำหนดหลักเกณฑ์หลักการอะไรก็กำหนดเหมือนกันความเป็นอยู่อยู่ยังไงกินยังไงใช่ยังไงไปยังไงมายังไงมีหลักมีเกณฑ์เทียงกันแม่กระทั่งว่าคนควบคุมดูแลรถก็เที่ยงกันไปเที่ยงกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาคนดูแลขยะก็เที่ยงกันไปเที่ยงกันมาทะเลาะกันมาคนดูแลน้ําคนดูแลห้องส้วมก็เที่ยงกันไปคอนกันไปคอนกันมาอะไรอยู่อะไรเงี้ย ก็ไม่มีปัญหาก็เรื่องจริงเรื่องจริงรัฐศาสตร์นี่คือเรื่องของมนุษยชาตาิมนุษยชาติที่จะอยู่กันเป็ น, ปนกลุ่มเป็นหมู่โดยใช้ศาสตร์นี่คือพุทธศาสตร์เราใช้พุทธศาสตร์รัฐศาสตร์แนวพุทธก็เคยใช้พุทธศาสตร์นี่แหละเข้ามาบริหารรัฐอาตมาว่าเราได้ใช้ศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์เนี่ยแนวที่อาตมาเข้าใจว่าพุทธศาสตร์เป็นอย่างนี้ บุญยมหรือแบบประสคเนี่ยเป็นอย่างนี้เข้ามาบริหารให้เกิดการเป็นอยู่ร่วมกันบริหารให้เกิดเป็นบริษัทหรือว่าเป็นกลุ่มหมู่ร่วมกันขึ้นมาจนกระทั่งมีจารีตประเพณีมีวัฒนธรรมมีวิธีการดำเนินชีวิตมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมอยู่อย่างเนี้ยเกิดมาได้แล้ว นะซึ่งเป็นศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ที่อาตมาว่ามันมันเป็นนวัตกรรมจริงๆในโลกในโลกปัจจุบันนี้แหละเป็นนวัตกรรมว่ารัฐศาสตร์แนวอโศกหรือรัฐศาสตร์แนวบุญนิยมหรือจะเรียกว่ารัฐศาสตร์แนวพุทธนี่แหละมันเป็นไปได้สามารถที่จะอยู่กันโดยหลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์เหล่านั้นก็เหมือนกับข้อระเบียบการเหมือนกับกฎหมายเหมือนกับกฎหลักอะไรของกลุ่มหมู่นั่นแหละทีนี้อยากจะขยายต่อสักนิดหนึ่งว่าถ้าคนอย่างที่อาตมากล่าวแล้วว่าเป็นกลุ่มตั้งแต่ครอบครัวจนกระทั่งถึงหมู่ฝูงเป็นกลุ่มขึ้นมาขยายเป็นชุมชนหมู่บ้านขยายจากหมู่บ้านไปเป็นอำเภอไปเป็นจังหวัดโตขึ้นโตขึ้นแล้วจนเป็นรัฐเป็นประเทศ ก็พอเข้าใจกันแล้วว่าเราจะบริหารกันให้มีสัดส่วนมีการเจริญมีความเป็นอยู่ที่เป็นอยู่อย่างเกื้อกูลกันเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวมีศีลมีธรรมที่เอามาพิสูจน์ได้ว่าคนเหล่านี้มีศีลมีคุณลักษณะของศีลธรรมศีลห้าเป็นพื้นฐานหลักมาตรฐานเลยศีลห น, น, นี่ยิ่งสูงก็จะเป็นศีล8โอ้พวกนี้มีการน้อยไม่มีไม่แต่งงาน ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศไม่ยุ่งไม่เกี่ยวแล้วรูปรถดกินเสียงสัมผัสก็ลดลงไปอีกศินแปดเครื่องประดับประดาเครื่องประเทืองเครื่องอะไรลดลงนาจักขีตาวาทิตาวิสุขทัศนามาลาคันทวิเลปนาธารณะลดลงไปจริงๆเป็นคนนักน้อยสุดดจริงๆเป็นคนไม่ติดใหญ่ติดโตแล้วอุจจารเสยนามหาเสยนาเออใหญ่ๆโตๆอะไรที่เราจะต้องมาหลงใหญ่หลงโตอะไรก็ลดลงจริงๆเลยนะเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากเลย ยิ่งคนมีศีล8เอาคุณลักษณะของศีลแปมาจับบุค mm. คลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมก็บรรลุธรรมมีศีล ส, สัมปทาเข้าถึงศีล น, นั้นได้จริงเป็นศีลแปคนในชาวโซเราเนี่ยคนที่อยู่ในวัดคนวัดคนที่อยู่ในขณะนี้อาตมาพยายามใช้วิธีการจัดสรรใหพวกเราได้รับการเขี่ยวเขี่ยวคือเด็กเป็นนิสิต นีสิตสินแปดสินปดถ้าผิดศีนแปดหลุดออกจากความเป็นนิสิตเขี่ยวขึ้นมาให้เป็นคนตัวอย่างให้เป็นคนที่อยู่ร่วมกันนี่แหละเป็นสังคมทุกวันนี้ไม่ต้องไปห่วงเราคนไม่แต่งงานนี่ไม่ต้องไปห่วงเนีาห่วงโอ้โหพวกเก ต, ต้องหาทางให้เขาพวกออสองเพศพวกอะไรแต่อะไรมันจะย้ำฉาไปใหญ่เลย <c oughs> เพราะั้นพกที่เขาไม่เข้าใจทิศทางของความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาบริหารกันอบรมการฝึกฝนกันให้คนยิ่งเลว้วยิ่งเละยิ่งหลวมไปย่อนเอาศีลมาจับนี่เละไปหมดเรื่อยๆเลยเนี่ยไปไม่รอดรัฐศาสตร์แบบนั้นไปไม่รอดแต่รัฐศาสตร์ที่ยิ่งกลุ่มคนไล่ตัวบุคคลยิ่งดี ก็มีศีลยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นรัฐศาสตร์นี้สุดยอดรัฐศาสตร์นี้นำพาสังคมประเทศชาติไปรอดใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ อ, อไม่เงาะใครไม่เชื่อไม่ว่าจริงๆเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เรามาพิสูจนกันดูทีนี้ว่าจะขยายความให เกิดในความหมายต่อไปว่ารัฐศาสตร์ดึงเกี่ยวกับการเมืองวิชาการเกี่ยวกับการเมืองวิชาการเกี่ยวกับบริหารประเทศวิชาการเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศของเราสัมพันธ์กับต่างประเทศขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนนี้อยู่ในประเทศปฐมประสงคเดี๋ยวนี้ก็ขยายผลสัมพันธ์ต่อประเทศนครปฐมประเทศกรุงเทพ อย่างสัติอโศกนี่ก็สัมพันธ์กับประเทศศรี ส, สกเกตประเทศอุบลประเทศนครราชสีมาประเทศอะไรขึ้นไปเรื่อยๆขยายสัมพันธ์กันไปคือออกจากแวดวงกลุ่มรัฐหรือกลุ่มขอบเขตที่เราตําเนินกันแล้วจัดสรรแล้วบริหารแล้วมีระบบทั้งการเมืองมีระบบทั้งบริหารประเทศดีแล้วก็สัมพันธ์กับ สิ่งที่ออกต่างประเทศออกไปอีกก็คือเชื่อมโยงสัมพันธ์เกี่ยวข้องขยายผลต่อออกไปอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวทางของรัฐศาสตร์ที่เรียกว่าการทูตรัฐศาสตร์การทูตของชาวอาโศกหรือรัฐศาสตร์การทูตแนวพุทธจะเป็นอย่างไรทูตของเราเนี่ยจะออกไปไม่ใช่ออกไปเป็นไส้ศึก แม่ฟังแล้วนี่เขาจะหาว่าอาตมาไปว่าทูตต่างๆทูตต่างๆเหมือนไส้ศึกขออภัยเธออย่าจับอาตมาเข้าคุกเลยนะขออภัยชัดๆเลยส่งทูตออกไปอยู่ประเทศนั้นอยู่ประเทศนี้คล้ายๆก็จะไปดูล่วงความลับล่วงอะไรต่นนั้นก็มาบอกมาเฮ้ยช่องนี้น่ยจะได้กําไรช่องนี้จะได้เปรียบช่องนี้จะได้โอกาสอย่างว่านี้ที่ดีนะรีบๆเข้ามานะส่งเงนนั้นนี้มาางี้ไอย่างเงี้อาตมาว่าไปเป็นราชทูตหรือไปเป็นทูต อะไรว่าเมื่อกี้เนี่ยไส้ศึกเป็นตัวที่จะไปหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองฟังสรุปตรงนี้ถ้าทูตของเรานี้ออกไปทำงานกับต่างประเทศหรือต่างชาติออกไปแล้วกลายเป็นคนไปหาทางได้เปรียบมาให้แก่ตนนั่นไม่ใช่รัฐศาสตร์การทูตแบบแนวพุทธหรือบุญนิยมฟังหัวข้อนี้ไว้ก่อน การต่างประเทศนะนี่ตอนนี้สัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วประฉะนั้นถ้ากัฐศาสตร์การทูตออกไปสัมพันธ์กับต่างประเทศต้องเป็นทูตที่ออกไปจะทําอย่างไรเราจะช่วยประเทศชาตินั้นได้จากที่เราจะเอาตัวเราเข้าไปช่วยประเทศเรามีอะไรอุดมสมบูรณ์ประเทศเราอะไรมีดีที่จะเอาดีนั้นไปให้แก่ประเทศนั้นประเทศนี้เขาได้ไม่ใช่จะไปเอาประโยชน์ไปเอาเปรียบ ไปมีช่องทางอะไรเราจะได้บันไส้ศึกนอะอย่างนั้นนะไม่รู้นักรัฐศาสตร์มาฟังอัตมาพูดบัางถ้าอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนล้มเหลวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเป็นะจะมีทูตจะมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศเราต้องพร้อมที่จะออกไปเพื่อที่จะ ไปเกื้อกูลเขาไปช่วยเหลือเขาไม่ใช่ไปเบียดเบียนครับหรือไม่ใช่ไปหาประโยชน์จากเขานี่เป็นแกนหลักของรัฐศาสตร์การทูตแนวพุทธอย่างแท้จริงที่เราจะต้องคิดเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ต่างประเทศเราจะมีความสัมพันธ์ต่างประเทศแบบของเราซึ่งจะไม่เหมือนอย่างที่เขาเป็นเลยแต่ทุกวันนี้เราแต่จะพูด นี่มันเป็นอุดมคติเรายังไม่เก่งถึงขนาดนั้นยิ่งต่างประเทศจริงๆออกไปประเทศอเมริกายุ่นรัสเซียอะไรนี่นะเรายังไม่อ้าขาภาวะปีกแน่เราจะไปต่างประเทศของเราแค่เนี้ยออกไปหาประเทศจากสัตย์สุขก็ไปหาประเทศเลยบางกะปิไปหน่อยอเลยบางกะปิออกไปหน่อยไปสัมพันธ์ต่างๆประเทศบเลยบางกะปิ แล้วก็จะไปสัมพันธ์ต่างประเทศที่จะเลยไปอีกแค่นี้ก่อ น, นอัตมาเคยถูกถามมาบ่อยว่าเราเองทําไมไม่ขยายาศาสนาไปถึงต่างประเทศบ้างาซึ่งอัตมา ก, ก็ตอบเขาว่าเรามันไม่เก่งภาษ า, าพูดเขา้เขาง่ายเราไม่สามารถที่จะพูดกับเขารู้เรื่องเว่าเราขอทําในนี้ก่อนแต่ความจริงนั้นน่ะ โดยหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยอาตมาคือต้องการสร้างของเราให้แข็งแรงจนกระทั่งเราอุดมสมบูรณ์เราสามารถมีกำลังวังชาถ้าจะไปกับต่างประเทศเราก็ต้องไปเกื้อกูลเขาไปให้เขาไปแบ่งเขาไปเราเลี้ยงตนเราได้ไม่ใช่ว่าเราเองไจะไปทาอะไรสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อที่จะไปไปเชื้อเือนไปเอาเปรียบเป็นดูดเอาของเขามาเลี้ยงตัวเราเอง อันนี้สําคัญนะเพราะรัฐศาสตร์ต่างประเทศแนวคิดของบุญนิยมหรือแนวคิดของแนวพุทธเนี่ยคือสัมพันธ์กับต่างประเทศนี้จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องไปเป็นประโยชน์ให้แก่เขาถ้าเรายังไม่สามารถแล้วยาเลยยาเลยอย่าไปไปไ ป, ไปสัมพันธ์เลยเราเตี้ยอุ้มคอมหรือว่ายิ่งเราจะเป็นดูจากเขาแนว ถ้ายิงจะไปดูจากเขาแล้วละเลิกเลยแม้เขาจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยแม้จะเป็นประเทศที่เขาเองเขามีเยอะเขามีอะไรเขาเ อ, อ, อุดมสมบูรณ์เขาเจริญงอกงามก็ตามถ้าประเทศเขาเจริญงอกงามเขาอยากจะมาช่วยเราเขาส่งทูตมาเขาส่งคนมาสัมพันธ์กับเราแล้วมีแนวต่างประเทศเหมือนกันกับเราโอเคแต่ถ้าคุณส่งทูตของคุณมาที่นี่แล้วก็มาสัมพันธ์กับเรา เพื่อที่จะดูดเอาจากเราไปอีกนี่นะคุณกลับไปประเทศคุณเถอะคุณก็รวยกว่เราคุณก็แข็งแรงกับเราและแถมคุณยังมาดูดจากเราอีกคุณจะบ้าเลยทำไมโหดเหี้ยมอย่างนั้นน่ะใช่มมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นในสังคมทุกวันนี้เนี่ยจริงใจแค่ไหนว่าประเทศต่างๆที่มามีสัมพันธ์กับเรามีทูตติดต่อกันเนี่ยเขาเข้ามา เพื่อที่จะเกิดการสร้างสรรค์เกิดการช่วยเหลือที่แท้จริงแต่ความรู้นี่อาจะมารู้ว่าเขารู้กันเขารู้ว่าเขาจะมาสัมพันธ์นี่เขาเป็นประเทศที่เขารู้แล้วว่าฐานะของเขาเป็นประเทศพั ฒ, พฒนาแล้วเรายังเป็นประเทศด้อยพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเขามีทูตตราจะทูตรอะรอยู่กันนี้ของเราเขาก็เพื่อที่จะมาดูว่าเราจะช่วยอะไรตัวอะไรตั้งแต่ประเทศเราได้บ้างเขาก็คงไม่มามีไส้ศึกมาเป็นประเทศที่จะเอาเปรียบอะไรราหรอก นี่รู้กันทั้งนั้นแหละแต่พฤติกรรมจริงมันคืออะไรลึกๆพฤติกรรมจริงและความจริงใจลึกๆมันคืออะไรอันนี้สำคัญนะเพราะงั้นก็เราก็จะต้องพยายามที่จะศึกษาฝึกฝนตัวเราเองก่อนถ้าคนเราลดโลภโกรธหลงได้ในแนวพุทธ ศาสนาอีกหลายศาสนาเขามีวิธีการลดโลภโกรธลงเหมือนกันศาสนาฤาษีเปน็นนางสะกดจิตตัวเองอย่านป่านี้ไม่รู้แล้วแสนสีเสียงยังไงเขาจะมีอะไรไปถึงไหนแล้วดิจิตอลดิจิตอลเรฉันไม่รู้ทั้งนั้นไม่ตอนมาแต่งอะไรก็ใครนั่งหดงุดอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเสร็จแล้วก็นั่งสะกดจิตป้ายไม่บือหวาอะไรก็ใครแล้วมักน้อยฉันโ ด, ดจริงๆนั่นเป็นลทัทธิฤาษี ไม่รู้ไม่มีโลกวิทูไม่เข้าใจสังคมไม่มีพระหูสูตรไม่รู้อะไรกว้างอะไรขวางอะไรอยู่ในกะลาครอบนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยท่านเองท่านแวกศาสนาฤาษีอย่างนั้นออกมาในยุคพรพุทธเจ้าอุบัติขึ้นม า, าศาสนาฤาษีเต็มป่าแม้พระพุทธเจ้าเองก็ยังไปตามข่านิยมเขาพอบวชปั๊บออกป่าพระพุทธเจ้าอ่ะเสร็จแล้วท่านก็สุดท้ายท่านประตัดสรุแล้วท่านถึงมาตัดเล่าให้ฟังว่า อลงไปงมงายอยู่ในป่าตั้งหกปีเราไม่ได้บรรลุด้วยทางนั้นนั่นคือทางผิดเราไม่ได้บรรลุสมมาธิปัญญาด้วยทางนั้นเลยแต่คนพุทธเข้าใจว่านั่นแหละคือทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อบรรลุสัมโพธิมาสัมปญญาบรรลุสุญยอดอย่างนี้เป็นต้นนี่หนังสือเล่มนี้ไขความพวกนี้หมดว่าความเข้าใจผิดแบบนี้มันมีอยู่ในาศาสนาพุทธแล้วมันจะไปรอดอยังไง เพราะงั้นศาสนาพูดคือศาสนาสังคมศาสนารู้จักโลกโลกกวิทูเข้าใจสังคมแล้วมีโล ก, กุตรจิตอยู่ได้กับสังคมกิเลสของสังคมหรือว่าอิทธิพลของสังคมนั้นมันจะมีฤทธแรงทางนามธาทำทางรูปธรรมอย่างไรก็แล้วแต่ไอ้ฤทธเดชอภินิหารของไอ้โลกธรรมโลกียธรรมนี่พึ่ดเข้ามาเจอจิตโล ก, กุตรจิต โลกีเนี่ยโลกธรรมเขามาเจอโลกุตตรจิตจะปับ๊บไออิทธิพลหรือว่าพลังแรงพลังฤทธิ์อะไรของโลกเขาเนี่ยนะมาตกเข้าไปที่โลกุตตรจิตของผู้ที่มีจิตเป็นโล ก, กุตระแล้วสเตอรใช้าภาษาวิทยาศาสตร์นิดหน่อยเด็กพวกนี้รู้จักสเตอรมั้ยหมายความว่าอะไรสเตอรเป็นกลางโอ้โหลูกศิษย์ใครนี่ฮะ ลูกศิษยใครปรทศกแกงนี่เป็นกลางจริงๆอย่างนั้นเนี่ยอาตมาอธิบายเป็นรูปธรรมให้ฟังแบบภาษาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นโลกีเขาจะมีลาบยศสันเริญโลกียสุขอบา ย, ยมุกอะไรฟุงเฟอริตแรงนะมันมีอำนาจอิทธิพลเยอะนะ <c ười> มันมาเข้ามาปุ๊บมาตกสู่โล ก, กุตรจิตของคนอย่างพวกเราเนี่ยได้พัฒนาจิตเป็นโล ก, กุตรจิตแล้วเนี่ยปุ๊บพวกนั้นหมดฤทธ เทินกลายเป็นกลางไปหมดเลยไม่มีบวกไม่มีลบไม่มีไปอ่อนเปรียบศูนย์หมดฤทธิ์เลยนี่คือคุณสมบัติอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเร า, าศาสนาพุทธนี่ผู้ที่บรรลุโลกุตรจิตแล้วมีโลกุตรจิตจริงๆจิตนี้มีฤทธิดเดชถึงขั้นโลกียะมาสัมผัสเมื่อไรตกเข้ามาที่นี่เมื่อไรโลกยะสลาย ถูกโลกุตรจิตทำให้ฤทธโลกิยะสเทินเลยเป็นกลางไปหมดเลยไม่มีฤทธ์อะไรเลยนี่เปคือความจริงนะเพราะฉะนั้นคนที่บรรลุโลกุตระจึงอยู่ท่ามกลางฤทธ์บาบาบาบาของโลกีนี้ได้เพราะฤทธ์ต่อ น, นั้นทำโลกุตระบุคคลไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้จริงจริงจึงไม่ เหมือนกับคนที่อยู่ยงคงกระพันแล้วโลกียะลากยศสั้เสริญโลกียะสุขบายยมุกอะไรเข้ามายิงไม่เข้าฟันไม่ออกเป็นคนอยู่ยงคงกระพันจึงช่วยคนที่เขาอยากจะหลุดพ้นอยากจะเลิกจากไอ้ที่โลกียะมันทำให้ทุกทรมานพวกนั้นช่วยคนได้เพราะฉะนนคนโลกุตระของพุทธจึงไม่ใช่ฤือสีอยู่ในป่า จึงเป็นคนที่ช่วยคนได้ขออภัยไม่ใช่เล่มนี้ทีเดียวป่ากับศาสนาพุทธที่จะอธิบายมุมนี้ให้ฟังชัดเจนยังไม่เสร็จอจตมาตรวจแก้อยู่ยังไม่เสร็จอีกอยู่รลายน้ำกันเราจะพิมพ์ต่อเป็นเล่มที่สต่อจากเล่มนี้เพราะเราสร้างคนอย่างนี้ล่ะขึ้นมาให้แก่สังคมประเทศชาติหรือเข้ามาให้แก่รัฐ เพราะฉะนั้นรัฐศาสตร์แนวพุทธก็คือการสร้างบุคคลขึ้นมาให้เป็นคนอย่างนี้ให้แก่รัฐแล้วรัฐจึงจะมีทั้งระบบการบริหารมีทัระบบการเมืองมีทั้งระบบการสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างเป็นชนประเสริฐชนพัฒนาที่แท้จริงไม่ใช่พัฒนาแฝงแฝงพัฒนาแต่วัตถุ มีวิธีการเอาเปรียบเขาได้อย่างเก่งแบบทุนนิยมพวกทุนนิยมเนี่ยใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้อำนาจความสามารถความเก่งจะเก่งในการผลิตก็ตามจะเก่งในการใช้จิตวิทยาก็ตามสามารถที่จะมีแผ่อิทธิพลอานาจให้คนอื่นเนี่ยมาเป็นบริวารแล้วบริวารเหล่านั้นเป็นอาณานิคมที่เขา พูดภาษาโกโก้ภาษารัตศาสตร์ว่าเขาจะช่วยดูแลสร้างช่วยปกครองให้ดีแต่ภาวะความจริงของคนโลกียะปุถุชนนั้นก็คืออาศัยเขาเป็นทาคเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองที่เป็นเมืองนาย เป็นเจ้าอาณานิคมสมัยโบราณทำอย่างแกงกิสขาดทำอย่างอเล็กซานเดอร์มหาราชใช้อิทธิพลในการล่าด้วยเลือดด้วยเนื้อความเก่งความสามารถล่าให้แพ้ฆ่าให้ตายจนเขาไม่กล้าหือแต่สมัยนี้ล่าสมัยแล้วไม่ล่าอย่างนั้นแล้ว ถ้าคืนล่าอย่างนี้อยู่ถือว่าเป็นคนล่าสมัยเชยระเบิดพอหยุดแต่เขาล่าเมืองขึ้นอาณานิคมสมัยใหม่ล่าโดยวิธีการทางรัฐศาสตร์นี่แหละทางการเมืองนี่แหละล่าโดยทางเศรษฐศาสตร์นี่แหละครอบงำใช้กลวิธีทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะเอาผลประโยชน์เอาเปรียบในทางเศรษฐศาสตร์ล่าในทางสังคมศาสตร์วัฒนธรรมครอบงาตอนนี้ประเทศไทยนี่ตกเป็นเมืองขึ้นอย่างนรเดเนรนาแล้วคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยยกเว้นพวกเด็กกระสงนี่แต่พนจากกระสงไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจถ้าออกไปก็ไปถูกครอบงมทางวัฒนธรรมกลายไปเป็นทาสทางวัฒนธรรมของคนต่างประเทศ อาตมาฟังเพลงอยู่วันหนึ่งเขาบอกเพลงนี้ฮิตทุกชารติเลยผู้หญิงร้องอาตมาจําไม่ได้เราเพลงอะไรเขาก็ร้องโชว์เลยวันนั้นร้องอาตมาตั้งใจจริงๆตั้งใจฟังว่ามั น, นร้องอ ะ, อะไรฟังจนจบเพลงไม่รู้เรื่องว่ามันร้องอะไรนั่นนะอาตมาพยายามฟังเขาร้องแล้วโอ้ยมันเป็นยังไงเว่เดี๋ยมันจะเหลือไทยหรือไม่เนี่ย มันเขาบอกเขารองภาษาไทยนะอันตรามาก็ฟังเขาออกสำเนียงออกภาษาด้วยมันไม่ค่อยเข้าใจมันไม่ค่อยรู้ว่าไอ้นี่มันว่าอะไรว่าฟังออกเป็นบางคำแล้วไม่ออกไป็นเยอะมันก็เลยไม่รู้เรื่องไม่ใช่แกล้งนะจังตั้งใจฟังโอ้นี่คือการคลอกมํามทางวัฒนธรรมภาษาก็ไปแล้วสำเนียงไปแล้วร้องอย่างฝรัง่งร้องอย่างเชิงนู้นอะ จะมาลองเอ้ยเหมือนลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งที่ออกคําชัดเพลงลูกกรุงออกเสียงชัดคําชัดเป็นไทยๆจะชั ด, ชดนี่เชยเอมันต้องพูดไอ้ไม่รอาจมาก็ทําไม่เป็นนี่ถูกครอบงําไปแล้วเป็นทาสเขาไปแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นอะไรอะไรกินอยู่มีชีวิตจะต้องเป็นอย่างเขาอะไรต่างๆนะครับนะนะไปหมดแล้วจะไม่เหลือแล้ว อาตมาจะดึงความเป็นไทยไว้เหลือมั้งไหมเนี่ยเด็กๆพวกนี้เนี่ยหน้าต้องสารต่อไปก็จะถูกครอบงำพวกนี้ถ้าไม่ได้ศึกษาแม่ศึกษาอยู่เนี่ยพจอจบพกก็วิ่งแล่นออกไปละจบพกก็วิ่งแล่นออกไปละแล้วมีเวลาอีกตั้งเยอะในะจากจบพกเวลาอีกตั้งเยอะที่เขาจะครอบงําเสร็จเ้าหมดนะ่ะจะอวดเก่งเลยอยาตอมาว่าเขาแรงนะเป็นสนามแม่เหล็กโลกรีนี่ที่แรงมากมีแล้วแรงเหนียวนํา มีแรงดูดดึงสูงมากแล้วก็เสร็จเขาไปเป็นทาสขานิยมแบบโลกโลกถ้าแบบนี้นี่จะบริหารประเทศชาติอย่างไรก็ไม่ขึ้นมานี่ฟังไรายการโทรทัศน์ก็เอามาอภิปรายเอามาเสนอข่าว ไอ้ข่าวนั้นนอามาวิจัยวิจารณวิจัยดีไอ้เนี่แต่ไอ้ตัวผู้วิจัยเอามาวิจัยเองตัวดาราตัวโคศกเองก็โอ้ยเสี้ยวฟ้ามั น, มนแล้วก็วิจารแล้วก็วิจารเข้าไปานั้นน่ะแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปสงบสงเงียบไม่ไม่ได้มีท่าทีที่มันจะสภาพที่มันมหาเชิงที่มักน้อยสะดดอะไรไม่ก็อย่างงั้นน่ะวิจารไปแต่ตัวเอง วิจารณ์ย voilà. uh. ังเอย่างงี้ว่าโอ้โหดีดูสินี่ยมันทําเนี่ยมันต้องแรบระแวงดึงดูดทำยังเงย่างงี้แต่เสร็จแล้วประเดี๋ยก็นี่ต้องสวยยางงี้นี่ต้องอย่างงี้ย่างงี้ยังงี้งี้แล้วมันจะเอาอะไรกันแน่จะเอาอย่างงี้หรือจะเอายางงี้จะเอายังไงมันไม่เขาไม่รู้ตัวนะเขาทำแล้วก็ไม่รู้ตัวมันขาดแย้งกันเองในขณะรายการเดียวกันเนี่ยประเดี๋ยวเสนอข่าวเรื่องนี้แล้ววิจารย์เรื่องนี้ประเดี๋ยวเอาเรื่องนี้อันนี้สวยยางงี้เลือดเลือดเลือดจังงี่เลือดงี้เอ้า แล้วคุณจะพายไปอย่างนูนหรคุณจะปรามอย่างนี้คะแนนมันไม่สอดคล้องกันะมันต้องเดี๋ยวก็ไปส่งเสริมเดี๋ยวก็ไปว่าเขาตัวเองนี่แหละพูดอยู่จบจบเนี่ยเขาทากันอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไม่แม่นไม่เข้าใจในสาระสัจจะที่ชัดเจนโดยตัวเขาเองเขาก็อยู่ในอารมณ์จริงๆก็อยากเปลี่นอย่างนั้นแต่สํานึกมีสามันสํานึกรู้สึกว่าอย่างนั้นมันไม่ดีแต่เขาจริงจิกิเลสของเขาอย่างนั้นชอบไม่ชอบ ชอบไปอย่างที่โลกมันครอบงำนั่นแหละโลกียะนะเพราะฉะั้นจะมาให้มันเป็นจริงมันไม่เป็นจริงทีเดียวหรอกมันไม่สอดคล้องนะพวกเราเนี่ยอัตมาภาพภูมิใจในที่อาตมาทําให้พวกคุณเนี่ยเหมือนหมาตกตกถังหมาตกทังถังซ่วมอะ <laughs> มาลอกมาแลกมาเนี่ยนะฮะ <laughs> ทังจุลินเซีย เ, <laughs> เข้าท่า เ, เหมือนหมาตกทังจุลินทรีย์มาลอกมาแลกนะอาตมาว่าอาตมาภูมิใจคุณจะประเสริฐคุณจะมีคุณค่าได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นหลงไหลได้ปลืมกับไอรือหูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรที่โลกเขาเป็นอย่างน้นมากมายไม่ต้องหอกคุณดีได้คุณประเสริฐได้โดยเฉพาะคุณมีโ ล, โลกโกตระซัพย์มีทรัพย์อันเป็นอริยะให้แก่ตัวเองไปเลยต่อไปชาติหน้าชาติหน้าชาน า, า, นาได้ อันนี้ประเสริฐกว่านะเพราะฉั้นไม่ต้องไปกังวลหรอกไอ้โลกที่เขาอาตมาเองพูดจริงๆนะอาตมาไม่ง้อพวกเราไม่ง้อคนในโลกไม่ง้อหรอกเพราะอาตมามั่นใจในสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ควรได้เมื่อคุณไม่มาเอาก็ช่างศีษะคุณจริงไหม เหนื่อยไหมคุณว่าอาตมาพยายามที่ให้พวกเราได้สิ่งเหล่านี้อาตมาเหนื่อยไห ม, ไมเอา้าแล้วเรื่องอาจารย์ตมาจะไม่งอทําไมเราเหนื่อยอ่ะคุณไม่มาก็ไม่เป็นไรอาตมา ก, ก็เหนื่อยน้อยลงแต่ตามา ก, ก็ไม่อ้ อ, อมือหรอกอาตมา ก, ก็แข็งทำเต็มที่นี่แหละมีน้อยก็ทาํากับคนไดน้อยทําให้มันได้มากๆช่วยกันเข้าไปมากๆเพราะนั้นถึงบอกว่าพูดนี่เหมือนก็หยิงพยองเหมือนก็อวดดีอาตมาไม่งอหรอกคนทั้งโลกเขาจะไม่เอาก็ไม่เอา เอาแต่แค่ลูกๆวันนี้อัตมามาแจกของที่ระลึกงานนี้แจกมาแล้วตั้งแต่วันที่ห้าเริ่มแจกมาตั้งแต่ราชธานีอโศกนั่นมานี่ก็แจกมาทุกวันน่ะแจกมาเรื่อยมันกองเพราะอัตมาตั้งใจว่าปีนี้อายุเจบสก็คิดว่าเอ๊จะทําอะไรเป็นของที่ระลึกให้พวกเราดีก็คิดได้ว่าเออทำอันนี้เถอะแล้วอัตมาก็เรียกชื่อว่า หยาดน้ําใจพระโพธิสัตว์ออกแบบให้เป็นหยาดน้นําใจใครมองไม่เห็นล้อไกลๆมองไม่เห็นหรอกรรอาตมาก็ยกไปงั้นนะ่ะมหีหยดน้ำนี่เขาเรียกว่ายดน้ำํำใสเนี่ยคุณว่าเป็นเพชรก็เพชรไม่ใช่เพชรก็ไม่ใช่ใสๆอยู่ในเนี้ยเป็นหยดน้ําอยู่กลางหัวใจนี่นะ เป็นหัวใจหยดน้ําอยู่กลางหัวใจเนี่ยคือหยดน้ําหยาดอย่าไปเรียกหยดนะหยดมันเม็ดเล็กๆถ้าหยาดนี่มันยาวนะเรียกหยาดน้ําใจอย่าไปเรียกหยดน้ําใจถ้าหยดนี่มันแมะแม่แ ม, ะแมะนะถ้าหยด <c oughs> ถ้าหยาดนี่มันยาวหยาดน้ํามีหยาดน้ํามีเม็ดหยาดน้ําอยู่กลางหัวใจในรู้หัวใจหัวใจก็อยู่กลางใบโพ อันนี้เขาเรียกเข็มเข็มส้นปลายเด็กๆรู้จักไหมเข็มสอนปลายเออเนี่ยเขาเอาปลายมันเก็บไว้ในนี้เขาเรียกซ่อนปลายถ้าไม่เก็บไว้ในนี้นะมันจะแทงคนเพราะมันแหลมเข็มมันมันเป็นเข็มด้วยแหลมพอมันมันมันมันไม่ดีเขาก็เลยเก็บไปซ่อนปลายคนไทยช่างตั้งชื่อนะเรียกว่าเข็มสอนปลายเข็มซ่อนปลายนี้เอาไว้ให้ พอแจกไปแล้วคนนี้ก็ใช้เข็มส่อนปลายนีนกลับติดเลยค่อยได้เลยหลายคนหาเรื่องต้องไปซื้อสร้อยแล้วเนี่ยให้ไปแล้วก็ไปหาเรื่องก็งไปซื้อสร้อยแล้วไปซื้อสร้อยได้ไหมมาถามาตมาเฮ้ hey, คุณมาถามาตมาได้ไงคุณมีตังคุณก็ไปซื้อมันก็ได้คุณไม่มีตังคุณไปซื้อเขาก็ไม่ได้ไม่มีตังยังไปซื้อได้ไงเออ มาถามอาตมาบ้าแล้วไปซื้อสร้อยได้ไหมมาถามอาตมาได้ไงเงินคุณถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้คุณมีเงินคุณก็ซื้อได้เท่านั้นเองน่าจะว่าไหมน่าจะว่าไหมเอออาตมามันชักจะชักใบให้เรือเสียแล้วหรือเปล่าอาตมา ก, ก็บอกหาเชือกกดได้เอาเชือกเหนียวๆหน้าก็ร้อยห้อย อาตมาว่าเป็นแฟชั่นที่ดีนะไปเอาทองเอาเถิงมาทําไมแพงเดี๋ยวนี้ก็ขึ้น8ปดพันกว่าแล้วบาทหนึ่งสมัยอาตมาเด็กๆเนี่ยทองยังไม่ถึง300นะบาทหนึ่งไม่ถึง300อ่าสมัยอาตมาเงินเด็กๆในบาทหนึ่งไม่ถึง300บาทไม่ถึงสามบาทละบาทหนึ่งร้อยกว่า200รุ้้นประกุนได้สี่อยที รุนอัตมามัน200กว่าร0 0ยกว่า200ร้อน่ยน่ะสองอยตมาจําได้เด็กๆบาทหนึ่ง200เองทองเดี๋ยวนี้มัน8 0 0 0ักว่าแล้วอะแล้วไปซื้อสร้อยทองคําก็ไม่ค่อยเข้ากันอีกแหละอันนี้มันขาวสร้อยเงินดําไม่เป็นไรหรอกสร้อยเงินมันก็ดําพอกันเพราะนี่ก็เงินมันจะดําไปได้กันเอาละมันก็มีนอกจากจะมีหยาดน้ําใจของพระโพธิสัตว์แล้ว มันก็มีแรงด้วยนี่หัวแรงหัวแรงนี่ยอย่าไปแงออกมาเล่นนะหัวแรงนี่ยอย่าไปแงออกมาเล่นเพราะว่าอันนี้เป็นกระบอกกระบอกหนึ่งเล็กๆหัวแรงเนี่ยเขาจะมีเดือยเป็นเหมือนหัวแรงไหมพลิกเป็นปั๊บนี่มันก็จะพิกมันก็จะหลุดเดือยออกไปเสร็จแล้วก็ดึงกระบอกนี่ออกมาได้อย่าไปดึงออกมาเพราะในกระบอกนั้นมีเส้นผมของอาตมาอยู่ในนั้น อยู่ในกระบอกเล็กๆนั้นมีเส้นผมข้ออัตมาให้ไปแล้วให้ไปแล้วใครได้รับไปนั้นได้ไปแล้วใครไปทำหายแล้วไปนะหายแล้วหายเลยมาเอาอีกไม่ได้ให้ไปแล้วทุกคนที่รับไปก็ได้รับไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงเล่นดึงออกมาแล้วก็เล็กๆ เ, เ, เส้นนี้เดียวสั้นๆนะผมอัตมาสั้ น, ส, นสิ้นเดียวใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นอยู่ในนั้นก็ไม่กี่เส้นเท่าไหร่ไม่กี่เส้น ดึงออกมาแล้วหล่นหายจบใครหล่นหายก็หายไปหล่นลงไปนี่คุณเก็บไม่ได้หรอกล็องนับทรวดนี่ตามหาไม่เจอนะเพรเส้นนี้นี่หล่นไม่เจอพอหล่นลงไปแล้วก็ลมพัดไปไหนก็ไม่รู้ด้วยลงนี่ก็ไม่หาไม่เจอหรอกเก็บไม่ได้เพราะงั้นอย่าไปอุตริซนเป็นแง่ออกมาล็อกไว้แล้วนนี่หัวแรงตรงนี้ล็อกไว้แล้วเรียบร้อยอยู่ในกระบอกนั้นมีเส้นผม ปลอมไม่ได้ลวงพ่อคูนก็ปลอมไม่ได้เพราะเส้นผมนี้ของอาตมาลวงพ่อคูนก็ปลอมไม่ได้เอามาคืนไปเอาเส้นผมลวงพ่อคูนใส่มันตัว d n a อ็าตมาไม่ตรงกันหรอกนี่มันของอาตมา DNA อ็าตมาเพราะงั้นในเส้นผมนี้เป็น DNA อ็าตมา อ, อีกสองร้อยปีร้อยปีข้างหน้าเขาจะเอาเส้นผมอาตมาเนี่ยมาโครนิง่งอาตมาเกิดตรงนั้น อ่าอันนี้อยู่ไปอีก200รปีหรือ้อปีข้างหน้านี่เขาเอาผมมาจะมาไปโคลนนิ่งเลยมาเหมือนกับจูรลสิกพาร์หไงมา <laughs> อเพราะงั้นที่ได้ไปนี่เป็นของที่ระลึกแล้วก็ขอกำชาวกำชาวว่านี่ไม่ใช่ของขลังนะขอบอกให้รู้กันท่วนทวว่านี่ไม่ใช่ของขลังนะนี่ของที่ระลึกถ้าจะระลึกก็คือ เมื่ออันนี้อยู่ที่ตัวเรานี้ก็จะต้องระลึกว่าเราเนี่ยอาตมาถือไว้อย่างนี้คนที่เป็นลูกได้เชื้ออาตมาไปแล้วนี่คือเชือ้อให้ไปแล้วในเส้นผมเนี่ย DNA อยู่ที่นั่นยีนอยู่ที่นั่นแหละแระลึกถึงว่าเราจะต้องเป็นลูกพระโพธิสัตว์เราจะต้องปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ดีเมื่อไหรก็ระลึกจะมีกําลังใจอยู่ในนั้นทั้งหมดเลย แกเป็นกําลังใจอยู่ในนั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นใครมีก็ดูแลไว้แล้วก็เมื่อออนแอขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็กราบไห ว, ว้อธิษฐานต่อนี้เลยจะตั้งใจประพฤติแล้วก็จะทําสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่มันพ่ายแพ้ให้ชนะให้ได้อะไรอย่งี้เป็นตน้นจงให้เป็นเช่นนั้นจงให้เป็นเช่นนั้นอย่าไปทำเป็นของขลัง โอ้ยนี่ดูขอให้แคล้วคลาดอขอให้มหานิยมอมขอให้ไปจีบสาวได้ไม่ใช่คุนแผนนะอย่ามาทำเลเธ อ, อไม่ใช่นะไม่ใช่คุนแผนนะไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแล้วใครไปปั่นราคาขายขอให้ลมจม ใครไปเอาไปไปทำเป็นสินค้าปั่นราคาขายเหมือนกับขายสมเด็จตรงทุกวันนี้ราคาองค์หนึ่งต้องเป็น10บล้าน20ล้าน50ล้านไม่เอานะไม่เอาแต่เป็นของมีค่าแน่แต่อย่าไปทำเช่นนั้นมันไม่ดีรักใครชอบใครจะให้ใครถ่ายทอดสร้างคุณธรรมก็มอบให้กันไปให้ได้ไม่ได้หมายความว่าให้คนนี้แล้วคนนี้ไปให้คนอื่นต่อไม่ได้ให้ได้ น้ารักใครชอบก็อยากให้คนได้ดีแต่มาขอใหม่ไม่ได้นะให้ไปแล้วแล้วก็มาขอใหม่อีกไม่ได้นะถือว่าอันนี้คนที่ได้ไปนี้ต้องเขียนชื่อนามสกุลใสอ่อัตมาทําสมุดไว้แล้วทุกคนที่จะรับต้องเขียนชื่อนามสกุลบอกไว้หมดเลยรายชื่อเหล่านี้คือรายชื่อลูกลูกพระโพธิสัตว์ปีนี้ถือว่ามีสัก 7,200 พันจะถ้าหมดถ้าไม่หมดเท่าไหร่ก็เท่านั้นจะได้รู้กันทีว่าลูกเรามีถึง เจ็ดพันสองร้อยไมถ้าไม่ถึงก็จะได้รู้ว่าไม่ถึงเสร็จแล้วก็จะไม่มีอีกจนกว่าจะอายุแปดสิบสีนี่ทำอายุ72ดสิบสองอายุแปดสิบสีถึงจะมีอีกถ้า84หมดอีกไม่ทันต้องไปอายุ96ถ้าไม่ได้อีกต้องไปร้อยร้อยแปดอายุร้อยแปด ถ้าอาตมาอายุร้อยแปดล้วเราจะอายุเท um ่าไรเท่าไรตายแล้วแล้วกันแม่ทาไมถ้าอาตมาอายุร้อแปดมันก็อีกกี่ปีอะนะบกไปอีกสาสิบหกปีเหรอแล้วลีเราเท่าไหรแค่ยังไม่ถึงยี่สิบก็แค่ห้าสิบกว่าจะตายแล้วเหรออะไรกันจะตายเร็วนักแม่ บวกไปอีกสาบปีหรอบวกไปอีกสาปีก็แค่เราเองตอนนี้ก็ไม่ยังไม่ถึง20ดีเอาให้20สบด้วย20 36ก็แค่ห้หเองโอ้อะไรจะรีบตายนะเดี๋วจะไปรีบไปเป็นโรคที่เขานิยมกันนถะเดี๋ยวนี้ก็มีโรคที่มีนิยมกันเป็นระเนอโหเยอ ะ, ะอแยะนะอาระะอัตมาก็พูดออกอะไรแต่ใดเป็นเป็นเรื่องวันอโศกกำลึก นาวันวันพ่อพลูกลู่าวันพ่อพอลูกๆกอาออกกกอตมาอายุ72แล้วเนี่ยมันก็มีลูกได้แล้วนะและตอนนี้ก็เป็นพ่ อ, อที่มีลูกกันมากมายพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพระโพธิสัตว์มีลูกจํานวนพันเป็นอนเนกหมายความว่ามีลูกเป็นจํานวนพันเป็นอเนกท่านตรัสไปในพระเตปปิโดกชัดเจน คนที่ไม่เข้าใจว่าอะไรว่าคนไป็มีลูกเป็นพันธุ์เป็นอันเนงแต่ถ้าคนเข้าใจแล้วบอกว่ใช่พระบุตริศนี่มีลูกจํานวนพันธุ์เป็นอันเนึ่งแล้วลูกเหล่านี้ไม่ใช่ลูกเล่นเล่นไม่ใช่ลูกโดยภาษาโวหารแต่เป็นลูกจริงๆนะเป็นลูกที่ได้เชือ้อเรียกว่ามีกรรมพันธุ์ไม่ใช่สรีระพันธนะฟังให้ดีนะที่เขาไปเรียกกรรมพันกรรมพันธ์ทุกวันนี้เนะี่ยเขาเรียกพิษ พอสรีระพันแท้ๆอันนั้นมันออกมาทางยีนออกมาทางวัตถุรูปออกมาทางรูปของตัวบุคคลดินน้ามลมไฟออกมาเชื้อของทางยีนออกมาก็เป็นเป็นสรีรพันแต่เขาไปเรียกกรรมพันอันนี้กรรมพันแท้เพราะอาตมาเองอาตมาไม่ได้เอาส่วนใดของยีนอาตมาไปให้พวกคุณเลยเกิดมาแต่อาตมาให้พวกคุณสอนให้คุณไปก่อกรรม สุกตตาทุกตานังกรร ม, มานังพลังวิปากโกจงไปทําพลวิบากของกรรมของตนของตนเป็นกรรมสมกตากรรมเป็นของของตนถ้าเราทํากรรมนั้นเป็นกุศลโลกุตระหรือเป็นกุศลโลกียะก็ตามก็เป็นกรรมของเราใครทําใครได้ใครทําก็คนนั้นก็จะเกิดกรรมกรรมโยนิเกิดเอง เกิดด้วยก ร, รมพาเกิดเกิดจากสัตว์นรกมาเป็นอาริยบุคคลเกิดจากคนอุตุชนมาเป็นอาริยบุคคลเกิดทางโอปปาติกายน ن ي เกิดทางจิตปิญญาเกิดจริงจริงเกิดจริง ๆ, เ, งๆเพราะฉะนั้นถ้าตมาสามารถทําให้พวกคุณนี่มีจิตปิญญาเกิดเป็นอาริยบุคคลได้นั่นแหละคือการถ่ายทอด นั่นการต่อเผาต่อพันกรรมพันธุ์ให้เกิดสืบทอดต่อไปอีกพวกเราก็เกิดบ้างแล้วมีบ้างได้บ้างทุกวันนี้อาตมามั่นใจว่าพวกเราได้มีการสืบทอดสืบต่อเชื่อเป็นกรรมพันธ์โดยทางโอปปาติกาโยนิเนี่ยขึ้นมาบ้างพอสมควร แต่ก็ยังเจริญได้อีกเพราะว่าการเกิดทางกรรมพันธุ์เนี่ยเกิดเป็นโสดาเกิดเป็นสกิทาเกิดเป็นอนาคาเกิดเป็นอรหันต์เกิดไปเป็นพระโพธิสัตว์ได้อีกเป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตโพธิสัตว์เป็นนิยตโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์จนกว่าจะถึงสมมาสัมโพธิญาณก็เกิดต่อได้อีกเป็นเรื่องจริงเราก็ขอให้พวกเราได้ฟังธรรมวันนี้ รัฐศาสตร์อย่างโพธิรัตอธิบายรัฐศาสตร์แบบโพธิรัฐ ก, ก็อธิบายอย่างนี้แหละสรุปว่ารัฐศาสตร์ที่ดีก็คือคนที่ดีรัฐศาสตร์ที่ดีก็คือคนที่ดีคําตอบอยู่ที่คนพระจะทำอย่างไรที่จะบริหารก็ดีการเมืองก็ดีหรือเม้ต่การต่างประเทศก็ดี เท่นที่เป็นเป้าหมายของรัฐศาสตร์ที่ศึกษาและเอาไปปฏิบัติกันเนี่ยจะทําให้เกิดการเมืองที่มีบุคคลเจริญบริหารประเทศชาติให้บุคคลเจริญออกไปสัมพันธ์นอกรัฐของเราสัมพันธ์ต่างๆประเทศเออกไปอีกแล้วก็ให้เกิดบุคคลที่เจริญอีกเหมือนกัน ไม่ใช่ไปเป็นราชทูตแบบใส้ซึกตอนที่กล่าวแล้วถ้าสามารถทำได้อย่างนี้อันนั้นแหละเรียกว่ารัฐศาสตร์แนวพุทธหรือรัฐศาสตร์บุญนิยมอ่าวสำหรับวันนี้ก็ขอเทศแต่เพียงเท่านี้เอวันเนื่องในโอกาสที่พ่อท่านเจริญอายุย่างเข้าปีที่72 ลูกลูกสัมมาสิกขาปทมโกขอน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อที่เพียรอบรมสั่งสอนพวกเราให้เกิดสัมมาทิฐิมีทางเดินชีวิตที่ถูกตรงในวิถีพุทธตลอดระยะเวลาที่พ่อท่านเผยแผ่ศาสนาแม้จะมีอุปสรรคมากมาย ถูกใส่ร้ายนินทาหาว่ามาทำเลวทำชั่วสารพัด ส, สำถูกกลั่นแกล้งรังเกียจยามเหยียดดุดแรรงกาแต่พ่อท่านยังยิ้มเบิกบานท่ามกลางอุปสรรคอันมากมายในวาระอันเป็นมงคล น, นี้ลูกลูกสัมมาสิกขาปฐมโสก ขอปฏิญาณตนว่าจะรักเคารพเทิดทูนบูชาพ่อท่านและจะขอตั้งใจเป็นลูกพ่อไปตลอดทุกชาติพร้อมกันนี้พวกเราขอม่อเพลงพยาแรงถวายเป็นปิตุบูชาแด่พ่อท่านครับ คุณ